เมื่อเช้าใครมาบ้างเห่อยกมือขึ้นหน่อยเยี่ยมมากหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวงใช่ไหมครับปัญญาจารย์บที่12บสงสามสี่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทำสองอย่างมนุษย์ทุกคนเลยหนึ่งรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าสองยำเกรงพระเจ้าวันนี้หัวข้อเนี่ยผมยังพูดถึงรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าหน่อยขอพี่น้องเปิดพระธรรมอพยยศได้ไหมครับเปิดพระธรรมอพยพศได้ไหมครับ ออขอเชิญลูกสาวคนไหนเสียงดังที่สุดโอเคช่วยอ่านพระธรรมอพยพยนะครับบทที่ยี่สิบข้อห้ากับข้อหกนะครับอันนี้ช่วยเปลี่ยนจอหน่อยได้หมครับเปลี่ยนหน้าจออ๋อมาแล้ว <c oughs> ช่วยอ่านเลยครับหนึ่งสองสาม ยังไม่ดังพอครับเอาดังกว่านี้นี่เองพี่น้องเห็นฉันไหมครับหน้าที่ของรุ huh ่นก็คือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าเมื่อพระคำพระเจ้าถูก พูดออกไปเนี่ยหรือตรัออกไปเนี่ยการตอบสนองของคนคนนึงเนี่ยเป็นอย่างไรต่อพระคําพระเจ้านะมันเป็นตัวกำหนดทั้งชีวิตทั้งโลกนี้และโลกอะไรโลกหน้าเลยพี่น้องฟังประโยคนี้ดีนะคนชีวิตของคนคนหนึ่งจะเป็นยังไงอนาคตเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาตอบสนองต่อพระำคําของพระเจ้าที่เขาได้ยินยังไงมันมีผลทั้งโลกนี้และโลกอะไรครับโลกหน้าเลยถ้าพี่น้องดูพระธรรมอพยพบทที่20่สิบหถึง6คุณเห็นอยู่สองตัวให้เราให้เราเลึกถึงสองตัวคิดถึงสองตัว อะไรครับมีคาว่าอะไรครับละเมิดกับละเมิดแปลว่าอะไรไทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำละเลยเออสมควรทำดันไม่ทำคุณเห็นว่าธรรมบัญญัยิบทที่ยี่สบก็ห้าถึก็หกเนี่ยทำให้เราคิดถึงสองคำนี้เลยละเมิดก็คือสิ่งที่ไม่สมควรทำดันทำ และเลยก็คือสิ่งที่สมควรทําแต่ไม่ทําข้อห้าบอกว่าไงถ้าคนของพระเจ้าหรือว่ามนุษย์ทั้งปวงเนี่ยไม่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าละเมิดการลงโทษของพระเจ้าจะมาถึงเขากี่ชัวยย่วอายุคนสามสี่ชัวยย่วอายุคนแต่ถ้าเขารักษาพระบัญญัติของพระเจ้าไม่ละเลยไม่ละเลยคือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าการไว้พอของพระเจ้าจะมาถึงเขากี่ชัวยย่วอายุคนพันชัวยย่วอายุคนตอนนี้ถามว่าสามสี่ชัวยย่วอายุคนเนี่ยกี่ปี กี่ปีคนอิสราเอลเนี่ย<ม>เขานับนะช่วอายุคนเนี่ยก็คือสามารถคลอดลูกได้สามารถคลอดลูกได้ก็นับไปช่วอายุหนึ่งดังนั้นคนอิสราเอลเนี่ยถ้าคุณบริษัทปอดิสซัดก็ประมาณสามสิบถึงสี่สิบปีเขานับช่วงอายุ<ม>อต้องเปิดไหมครับเปิดครับเพราะทําไมเสียงมันจะได้ไม่ขาดตอนเสียงจะได้ไม่ขาดตอนอย่างนี้นักเทรดลาบาก ลืมเลยพี่เดินมาบิวอารมณ์ใหม่ตรงไหนล่ะ โ, โ, โอเคในความคิดคนอิสาเลนะครับช่วอายุหนึ่งก็ส4 0ปีคือสามารถคลอดลูกในรุ่นต่อไปได้ดังนั้น 3-4 ชสี่ช่วอายุคนเนี่ยก็ประมาณ120ถึง160ปีถ้าคนหนึ่งละเมิดนะการลงโทษของพระเจ้าที่มีต่อเขาก็คือ120ถึง160ปีแต่ถ้าเขา 3, รักษาความหยตดของพระเจ้าล่ะ การวอวยพรพันชั่วยุคคนกี่ปีสาม0 0ื0นถึสี่มื่นปีพี่น้องครับตั้งแต่ปฐมกาลถึงดปัจจุบันนี้นะถึงยุคเรานะี่ยังไม่ถึงหมื่นปีเลยตรงนี้หมายถึงอะไรถ้าคนนึงรักษาพระญติของพระเจ้าการวอวยพรของพระเจ้าที่มาถึงชุดเขาก็เป็นอะไรครับเป็นนิดนิดลันนะดังนั้นเนี่ยคิดเสียนเราต้องรักษาพระัญติของพระเจ้าอย่าทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่สั่งท่านแม้ว่าอย่าทํา ยึดทำรองด้วยกันต้องทำในสิ่งที่พระเจ้าทำไมครับสั่งให้ทำด้วยและหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าสั่งให้เราทำก็คือให้เราประกาศข่าวประเสริฐวันนี้ผมจะให้พี่น้องดูข่าวดีที่สุดขอพี่น้องช่วยอ่านยอมรับใน่งวันศุครับหนึคุณต้องท่องพระบีข้อนี้ไว้คุณเชื่อผม ผมถ้าไม่ได้ข้อบีข้อนี้นะไปอเมริกาไม่ได้ปี2004ผมทำวีซ่าไปอเมริกาไปที่กงศุลนสถานทูตอเมริกาอาจารย์ที่เ้าเคยไปเ้าบอกว่าอาจารย์ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมแลวนะทุกอย่างเลยพร้อมเลยนะผมก็ตรีมกระเป๋าเจมบอนเลยมัทุกอย่างอยู่ในนี้พอไปถึงปับ๊บสถานทูต น, นะครับคนที่สัมภาษณ์เป็นฝรั่งไม่ดูเอกสารผมสักชิ้นเลยถามผมอย่างงี้อายุพอสเตอร์ เป็นผู้รับใช้พระเจ้าใช่ไหมโอ้ yes yes yes โอ yes yes yes แล้วก็ถามต่อ what the bible verses would you like หมายว่าพระบีข้อไหนที่คุณชอบที่สุดเขาถามนี้ครับข้อบีข้อไหนชอบที่สุดแลพี่น้องครับท่ามกลางภาษาอังกฤษนะข้อบีที่เป็นภาษาอังกฤษนะผมท่องได้ข้อเดียวคือข้อเนี้ยพอเขาถามว่าพระบีข้อไหนที่คุณชอบมากที่สุดผมก็บอกหัวเราะเลยมันก็หัวเลาะข้อไหนอัน จอห์นแชร์เทตสบสี่น์ก็สู้เลิฟเะเวอรเลิฟยูแ so he sent his o y s s e jesus christ come to this world die on the cross for our sin you know believe in jesus go to heaven no believe in jesus go to the hell okay มันทให้ผมสปีเลยนี่ถ้าไม่ได้ข้อนี้ไม่ทาไมครับไม่ได้ไปอเมริกานะท่องเอาไว้เด้อ ย, ยอมรีสสาวุษกพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทงประทานพระบุตรองเดียวองเพื่อทุกคนที่วางใจในบุตร น, นั้นจะไม่พินาศแต่มีชุตรันก่อนจะไปก่อนดูนี้ก่อนพระเจ้าทรงรักอะไรครับโลกตรงนี้เนี่ยถ้าดูในพระคัมภีร์นะครับตามหลักการพระภีโลกเนี่ยจะมีอยู่3อย่างโลกที่เราอาศัยอยู่ประการที่หนึ่งคือโลกที่เราทําไมอาศัยอยู่สองก็คือวิถีของโลกมาตรฐานโลกกระแสคณิยมสิ่งยุ่ยยนของโลกสก็คือมนุษย์อะไรครับมนุษย์โลก สอย่างเนี่ยคิดเสียแล้วก็ทําไมก็ปฏิบัติต่างกันถ้าโลกไปนี้เราต้องทําไมโลกไปเนี้ยต้องดูแลพระเจ้าให้เราดูแลใช่ไม่ใช่แต่ถ้าเป็นสิ่งยั่วยวนมาตรฐานของโลกอะทาไมอย่าตามมันต้องต่อสู้มันต้องหนีจากกระแสของโลกมาตรฐานของโลกแต่มนุษย์ต้องรักนะเนี่ยดังนั้นเนี่ยที่บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกตรงเนี้ยโลกตรงนี้ก็คือมนุษย์อะไรครับมนุษย์โลกถ้าภาษาจีนก็ง่ายละ่ะ ภาษาจีนใช้คำนี้เลย神爱世人将他的独生子来世界为人死在世界上就一切信他的不至灭亡反而得永生 อ, อเออเย่สออตอญญอันนี้ก็ภาษาจีนภาษาจีนก็จะชัดเจนว่าโลกตัวเนี้ก็คือมนุษย์โลกดังนั้นพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์โลกจึงได้ทรงประทานพระบุตรองเดียวบงเพื่อทุกคนที่วางใจในบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เอาละน้องเชอรี่ออกมาเร็วเชอรี่ออกมาหนุ่ยหน่อยนุ ชอลี่เร็วลูกเร็วลูกสาวเร็วน่ารักมากเลยพูดจีนเป็นไหมพูดจีนเป็นไหมพูดเฉียงกุยมาอีแตนแตนนะอ๋ อ, น, นะอนี่จันเหานี่จันเหอนอาะเนี้ยจันเหาะเนี่ยจันเหาะเนี่ยจันเหาะเนี่ยเหาะลูกสาวพี่น้องครับผมจะเดินเรื่องด้วยโยนเปที่สามกุศุกเพราะว่าพระเจ้าทรงรักอะไรรักโลกดูนะครับคุณดูนี้ คำนี้ก่อนเพราะว่าพระเจ้าคําถามหนึ่งนะที่ผมทําไมครับได้ยินบ่อยเลยมาไหมเนี่ยมันไม่มามาไหมครับอคําถามหนึ่งที่ผมได้ยินบ่อยเลยครับคือคําถามนี้มาไหมคําถามนี้ครับอาจารยพราร์พระเจ้ามีจริงไหมพระเจ้ามีจริงไหมผมขอบคุณพระเจ้าสําหรับคนไทยนะคนไทยเพราะว่าทําไมครับในสรุ ด, ดีบทที่14ข้อหนึ่งพระบีบันทึกว่าอะไร อะไรนะคนโง่รำพึงอยู่ในใจของตนว่าไม่มีพระเจ้าแสดงว่าคนไทยไม่โง่คุณเชื่อผมคนไทยไม่ใช่คนโง่คนไทยยังเชื่อว่าทุกอย่างมีผู้สร้างผมออกประกาศ30ปีมานี้นะผมเจอคําถามที่บอกว่าพระเจ้ามีจริงไหมแล้วผมเนี่ยก่อนจะตอบผมก็ถามว่าแล้วคุณบอกว่ า, ถ, าถ้าไม่มีพระเจ้าเป็นผู้สร้างใครเป็นผู้สร้างคนไทยจะตอบว่าใครเป็นผู้สร้างใครเป็นผู้สร้าง ธรรมชาติสร้างเห็นไหมอย่างร้อยคนไทยก็ไม่โง่เพราะอะไรเพราะคนไทยก็ยังรู้ว่ามันเกิดขึ้นเองไม่ได้มันต้องมีผู้อะไรมันต้องมีผู้สร้างแต่เขาเรียกผู้สร้างว่าอะไรธรรมชาติตอนนี้สําหรับเราในแง่ของคริเซีนเน่เราต้องมาวิคเคราะห์ล่ะเฮ้ยธรรมชาติสร้างสรงสรพสริ่งได้จริงหรือธรรมชาติสร้างสรรพสิ่งได้จริงเหรือพี่น้องครับพูดตามผมถ้าคุณบอกว่าธรรมชาติสร้างธรรมชาติพูดสิถ้าเราบอกว่าธรรมชาติสร้างธรรมชาติ มันจะผิดตกะโลจิกนน <Logic S 2> เลยครับผิดเลยครับอันนี้อะไรครับนาฬิกาถ้าผมบอกว่านาฬิกาสร้างนาฬิกาคุณว่าตลกไหมตลกไหมตลกนาฬิกาเป็นสิ่งที่ถูกสร้างดังนั้นผู้สร้างนาฬิกาก็ไม่ควรเรียกว่าอะไรนาฬิกาดังนั้นคุณบอกว่าธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคือสิ่งรอบข้างตัวเราแล้วใครสร้างธรรมชาติสร้างมันก็ย้อนแย้งในตัวเพราะมันจะเป็นเหตุและผลในเวลาทําไมครับเดียวกันไม่ได้พี่น้องครับดังนั้นโลกของปรัชยานะบอกคุณเลย ธรรมชาติไม่ใช่เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งเขาพูดถึงเหศุผลด้วยกันเศษผลเนี่ยวิเคราะห์เฉนเจนฟันทงชัดเจนเลยว่าธรรมชาติไม่ได้เป็นผู้สร้รพสิ่งไม่ได้เป็นผู้สร้างสรงสรพ ส, ส, สิ่งหนึ่งเขาบอกเลยคุณดูมนุษย์คุณก็รู้แล้วว่ามนุษย์ไม่ใช่ผลิตผลของธรรมชาติมนุษย์เราเนี่ยไม่ใช่ผลิตผลของอะไรธรรมชาติหนึ่งมนุษย์สามารถวิเคราะห์ธรรมชาติได้จริงไม่จริงจริงไม่จริงคุณเห็นธรรมชาติไหนวิเคราะห์คุณมีแต่มนุษย์ที่เดียวไหมครับวิเคราะห์ธรรมชาติได้ คุณสามารถศึกษาพืชศึกษาสัตว์แล้วทําเป็นสารคดีใช่ไหมเอามาถ่ายทอดด้วยซ้ำไปคุณศึกษาได้ปรากฏการณ์ที่มนุษย์ศึกษาธรรมชาติได้แสดงว่ามนุษย์ทําไมไม่ใช่ผลิตผลของธรรมชาติมนุษย์มีบางอย่างที่ใหญ่กว่าอะไรครับธรรมชาติสองมนุษย์สามารถทํำไมได้ชนะกฎของธรรมชาติได้ถ้าเป็นธรรมชาตินะมันจะไม่สามารถชนะกฎเกณฑ์ของธรรมชาติของมันได้ไม่มีทางพี่น้องครับเคยเห็นนกตัวไหนบินออกรอกโลก เคยเห็นไหมมันทําไม่ได้มันชนะกฎเกณฑ์แรงนึดูดธรรมชาติไม่ได้แรงน้ําถ่วงที่งไหมจริงแต่คนไปได้ไหมคนไปถึงดาวอังคาร เ, เห็นใช่ไหมไปถึงดวงจันทร์เห็นใช่ไหมมนุษย์มีประกฏการณ์ที่ชนะอะไรได้ธรรมชาติได้เสืออะไรวิ่งเร็วที่สุดเสืออะไรกีตา้าหรือซีต้าอะชีตาเสือชีตา้ตาวิ่งใช่ไหมแล้วคนวิ่งเร็วเท่าเสือชีตาไหมแต่คุณเห็นไหมคนสามารถเอาชนะกธรรมชาติได้คนเร็วกว่าเสือชีตา เมื่อวานเนี่ยผมมาจากขอนแก่นผมนั่งเครื่องบินนะสี้านาทีก็ถึงกรุงเทพแล้วเสือชีต้าที่ไหนวิ่งได้อย่างงี้จริงไม่จริงอันนี้คือปรากฏการณ์ชนะอะไรครับธรรมชาติอย่างที่สมชัดเลยว่ามนุษย์ไม่ใช่ปีติธรรมชาติคุณดูสิครับมนุษย์สามารถนําธรรมชาติทําไมนํามาใช้ได้คุณดูรอบตัวท่านตึกไม้คอมพิวเตอร์พวกวัสดุที่มาทําคอมพิวเตอร์ปโปรเจกเตอร์พวกนี้นะมันไม่ได้มาจากดาวพูโตนะพี่มันมาจากที่ไหน มันเป็นวั ส, สดุที่อยู่ในโลกใบ น, นี้มนุษย์สามารถเอาธรรมชาติทําไมครับมาใช้งานได้ไม่มีสัตว์อะไรทํางนี้ใช่ไมใ่ใช่ใช่อย่างที่สี่ครับมนุษย์สามารถทำามได้ด้วยทํำไมได้ด้วยทําลายธรรมชาติได้ด้วยดังนั้นถ้ามันเป็นสิ่งถ้ามันมนุษย์เป็นผลิป ong ของธรรมชาติมนุษย์จะไม่สามารถทําลายได้ได้ธรรมชาติได้ฟันธงดังนั้นธรรมชาติไม่ใช่เป็นผู้สร้างมนุษย์แต่ธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้าง และมนุษย์มีบางอย่างที่เหนืออะไรครับธรรมชาติถ้าเะนั้นใครสร้างมนุษย์ล่ะใครสร้างใครสร้างพระเจ้าครับพี่น้องครับผมไม่ใช่คนแรกของโลกนะที่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงสอ0พันปีที่แล้วเนี่ยมีนักปราชญาคนหนึ่งคนนี้ครับคุณต้องรู้จักคนนี้ไว้นะเปลเโต้คนนี้ไม่ธรรมดาเปลเโตเชื่อว่าสรรพสิ่งทั้งปวงถูกสร้างโดยพระผู้สร้างพระเจ้าถึงแม้พระเจ้าของปเปลเรโต้เขาไม่รู้ว่าคือใคร แต่เขารู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องมีผู้เลยครับต้องมีผู้สร้างเปลโตและเปลโตคนนี้เป็นคนแรกของโลกที่พูดประโยคนี้เปลโต้พูดว่าเลยรู้ไหมมนุษย์คนไหนนะถ้าอยากหนีจากความผิดบาสนะต้องเรียนแบบชุตที่มาจากพระผู้สร้างเขาพูดประโยคนี้เลยเปลโต้เดี๋ยววันหลังผมให้กูดูก็แหละเขาพูดเลยบอกว่ามนุษย์คนไหนที่อยากจะมีชีวิตที่ทำไมครับชนะความผิดบาปได้จะต้องเรียนแบบชวิตที่มาจากพระผู้สร้างของเขานี่คือเปลโตเปลโต้เนี่ยสุดยอด เปเตเนี่ยเชื่อว่าสรรพสิ่งถูกสร้างโดยใครโดยพระเจ้าวันหนึ่งเพื่อนเปโตอเดินมาถามเปโตอร์งี้ถ้าคุณดูการบันทึกของเปเตอร์นะวันหนึ่งเพื่อนของเปเตอร์เดินมาถามเปโตอร์งี้เปโตอนายเชื่อว่าทุกอย่างมีพระเจ้าเป็นผู้สร้างนายเห็นพระเจ้าเหรอนายเห็นพระเจ้าเหรอเปเตอตอบว่าไงรู้ไหมครับขอโทษครับถ้าพระเจ้าองค์ไหนมองเห็นได้นะแสดงว่าเขาไม่ใช่พระเจ้าเขาไม่ใช่ผู้สร้างผู้สร้างแท้จริงจะต้องมองไม่ ผู้สร้างแท้จริงจะต้องมองไม่เห็นเชอร์รี่นี่อะไรลูกฮะแว่นแว่นนี้มีผู้สร้างไม่ลูกมีไม่มีมีผู้สร้างวแว่นแว่นตานี้อยู่ส่วนไหนของแว่นตาผู้สร้างแว่นนี้อยู่ส่วนไหนของแวน่นมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนของแวน่นผู้สร้างแวน่นอยู่ไม่อยู่ยเห็นไหมเด็กยังรู้เลยเชอร์รี่ยังรู้เลยว่าหลักการอย่างนึงผู้สร้างจะไม่อยู่ในสิ่งที่ถูกสร้างพริโตบอกเลย สิ่งที่คุณเห็นเนี่ยคือไทม์แอนด์สเปโลกวัตถุมวลสารและเวลามันเป็นโลกที่ถูกสร้างคุณจะไม่สามารถเห็นผู้สร้างอยู่ในโลกที่ถูกสร้างได้เลยเพื่อนก็ถามต่อโอเคฉันเก็ตคุณเก็ตไหมเก็ตไม่เก็ตคุณก็แย่แล้วโอเคเพื่อนไปโต้ก็ถามไปโต้ ot, ต่อไปโต้เอาละฉันมองไม่เห็นอะไรพระเจ้าผู้สร้างคุณมองไม่เห็นพระเจ้าผู้สร้างถ้าเช่นนั้นคุณรู้ยังไงว่ามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างละ่ะถ้าคุณมองไม่เห็นพระเจ้าผู้สร้างแล้วคุณรู้ไงว่าพระเจ้าผู้สร้างไปโต้บอกง่ายมาก การที่ผมมองไม่เห็นพระผู้สร้างแต่ผมรู้ว่ามีพระเจ้าผู้สร้างเพราะหลังจากพระเจ้าสร้างคนเสร็จพระเจ้าใส่บางอย่างไม่ได้หัวของคนสิ่งนั้นก็คืออะไรการที่ผมมองไม่เห็นพระผู้สร้างแต่ผมรู้ว่ามีผู้สร้างเพราะว่าหลังจากพระเจ้าสร้างคนเสร็จพระเจ้าใส่บางอย่างไม่ได้หัวของคนสิ่งนั้นก็คืออะไรบางคนว่สัญชาตญาณบางคนสมอง ขอโทษนะครับขอโทษจริงไก่ก็มีสมองครับควายยังมีลิงยังมีเลยครับพระเนตโตบอกว่าการที่ผมมองเห็นพระเจ้าผมสร้างแต่ผมรู้วิญญาณเจ้าพ่อหวังจากพระเจ้าสร้างคนเสร็จพระเจ้าใส่อะไรบางอย่างไว้ในหัวคนสิ่งนั้นก็คืออะไรครับไอซีไอซีคืออะไรความเข้าใจหนูช่วยเปิดปัญญาจารย์วันที่2อก็สหน่อยเฉลี่ยืนไว้ประดับปัาจารย์ไว้ก่อน ปัญญาจารย์บทที่สองข้อสิบสี่ช่วยอ่านหน่อยครับมันเปิดยากเย็นนะมากโอเคอ่านเลยครับดังๆปัญญาจารย์บทที่สองข้อสิบสี่าาดนไปไนโอ้โหนี่ฉบับไหนเนี่ยภาษาเดิมไม่ได้บอกว่าคนมีสิบญาจะรู้เดินไปทางไหน ภาษาเดิมแปลงี้ The wise man have eyes in his brain The wise man have eyes in his brain หมายถึงอะไรคนมีปัญญามีตาอยู่ในสมองตาในสมองก็คืออะไรครับอ IC นั้น IC ก็คือตาในอะไรตาในสมองตาในสมองคืออะไรตาในสมองคืออะไรอ IC แปลว่าอะไรนักศึกษาประิด ธ, ธรรมกลแปลตรงตัวนะซื่อจริงๆอ IC ฉันเห็น ใครบอกคุณครั้งหนึ่งผมอยู่ที่ขอนแก่นผมเทศนาลงมาเสร็จมีด็อกเตอร์คนหนึ่งชื่อด็อกเตอร์ลาฟเป็นวอล์นเทียร์มาสอน ว, อวิชาแพทย์ที่มาได้ขอนแก่นสาขาแพทย์เนี่ยท่านก็มาทั้งักการรุ่มกับคิดจักเราประมาณ3เดือนพอผมเทศนาลงมาท่านมาจับมือผมอย่างนี้โอ้ตังเกิลปาสโซนิกอนตังเกิลฟอยล์แมสเซสตังเกิลฟอยล์แมสเซสโอ้ตังน็อดตังน็อดแล้วแกก็ถามผมปาสโซนิกอน where do you work ทำงานที่ไหนผมบอก i am a teacher ไอทิดอินไปบนสกูลพอผมบอกว่าไอทิดไม่เป็นสกูลคุณรู้ไหมั้ยแตรับแกพูดว่าไงโ oh, yes, yes, อ้ยเยสไอซีเยสไอซีผมแกบอกเยสไอซี yes, ผมถามเลยว o u ดูยูซีว do ดูยูซีแกบอกโนโน่ไอโดนซีเอนดิติงผม don't you s ยูซไอแอนด์สเตนเล่าโอ้แกหัวละไอซีอยู่เล่นบุกอายพี่น้องครับไอซี see, ไม่ได้ว่าฉันเห็นไอซีาว่าทำไมฉันเข้าใจได้เห็นไหม <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเปเโตบอกเลย ผมมองไม่เห็นพระเจ้าหรอกแต่พระเจ้าใส่ความอะไรไว้ความเข้าใจตอนนี้พี่น้องพูดตามผมครับและความเข้าใจนี่แหละทําให้มนุษย์ทุกคนเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเห็นปุ๊บรู้ปั๊บพี่น้องครับความเข้าใจเนี่ยทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นปุ๊บรู้เห็นปุ๊บรู้ภาษาอังกฤษมีคนถามผมว่าเห็นปุ๊บรู้ปั๊บภาษาอังกฤษใช้คําว่าอะไรผมแปลได้ครับเห็นปุ๊บรู้ปั๊บภาษาอังกฤษใช้คาว่าซีปุ๊บอันเดอร์สแปั๊บ ฝรั่งเกตคุณเชื่อผมผมทดลองมาแล้วความเข้าใจในหัวมนุษย์เนี่ยทํารุษเห็นปุ๊บรู้ปั๊บรู้อะไรครับรู้สองอย่างนี้ความเข้าใจในหัวมนุษย์ทําให้ทุกคนเห็นปุ๊บรู้ปั๊บรู้สองอย่างนี้หนึ่งรู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องมีผู้สร้างสองรู้ทันทีเลยผู้สร้างฝีมือขนาดไหนเชอรี่ทํางานลูกเดี๋ยวได้นั่งละลูกเดี๋ยวได้นั่งละ มาทางนี้หน่อยลูก ว, วาดโดนเลมอนมีกระเป๋าหน้าท้องด้วยโดเลมอนเยี่ยมมากอัชเชอรี่ไปอยู่ตนั้นก่อนโชว์ผลงาน ถ้าหากถ้าหากคุณเป็นคนแรกเข้ามห้องประชุมนี้คุณเป็นคนแรกเข้ามห้องประชุมนี้คุณเข้ามาคนแรกนะยังไม่มีใครเข้ามาเลยคุณเข้ามาคนแรกแล้วคุณเห็นผลงานอยู่บนกระดานสองภาพนี้คุณเข้ามาคนแรกแล้วคุณเห็นผลงานอยู่บนกระดานสองภาพนี้ทันทีที่คุณเห็นภาพนี้ปุ๊บไอ IC ในหัวคุณจะทํางานของมันปั๊บคือเห็นปุ๊บรู้ปั๊บรู้อะไรรูปรูปสองรูปเนี้เกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องมีผู้อะไรผู้สร้างรู้ทันทีเลยว่าเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องมีผู้ ถึงแม้กุไม่เห็นผู้สร้างแต่ความเข้าใจในหัวคุณจะบีเพืคุณรู้เลยว่าต้องมีผู้สร้างสองรู้ทันทีเลยผู้สร้างฝีมือระดับไหนคุณดูรูปนี้เกิดขึ้นเองได้ไหมยังไงก็ไม่ได้ต้องมีผู้สร้างจริงไม่จริงแล้วผู้สร้างฝีมือระดับไหนแล้วนี่ะครับมไม่อยากคุยขอบคุณมากลูกสาวขอบคุณตบมือหน่อยครับแอเชอรี่เก่งมากลูกพี่น้องครับ พักบีเนี่ยจึงเขียนว่าทําไมอาจารย์เปโอลเอาสิ่งที่เพลโตเนี่ยแนวความคิดเพรโตเนี่ยมาย่อยแล้วเขียนในมัมบีด้วยนี่ก็คือสิ่งที่เปาโลเขียนเมื่อมนุษย์เห็นสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเขาปฏิเสธไม่เลยว่าต้องมีพระผู้อะไรเมื่อคุณเห็นผลงานของพระเจ้าในธรรมชาติคุณก็รู้เลยว่าต้องมีผู้สร้างและผู้สร้างฝีมือเยี่ยมมาเยี่ยมเยี่ยมเอาละตอนนี้ผมให้คุณดูผมเชื่อแน่นอนว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ที่ทุกท่านท่านเป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์หรือเปล่าเป็นไม่เป็นขอบคุณมากครับพี่ตอบว่าเป็นผมถามน้องผู้หญิงคนหนึ่งในคิดจักรหนึ่งว่าคุณเป็นคนหรือเปล่าเขาไม่ใช่ค่ะอาจารย์เอ้าแล้วคุณเป็นอะไรอ๋อหนูเพิ่งอัปเกรดเป็นนางฟ้าเมื่อเช้าอ่ะดูมันดูมันพูดดิพี่น้องครับเมื่อมนุษย์เห็นสรรพสิ่งที่งดงามเขาเถียงไม่รู้ว่าต้องมีผู้อะไรผู้สร้างเอาละตอนนี้พี่น้องเป็นคนนะครับคุณสังเกตความเข้าใจในหัวคุณที่พระเจ้าใส่ไว้สังเกตความเข้าใจในหัวคุณที่พระเจ้าใส่ไว้ ว่าจริงไม่จริงดูครับรูปนี้เกิดขึ้นเองได้ไหมต้องมีผู้วาดใช่ไหมใช่ผู้วาดฝีมือระดับไหนเด็<า>กอนุบาลคุณวิเคราะห์ ไ, ได้เลยว่านี่อนุบาลแน่นอนแล้วเนี่ยประถมเนี่ยประถมปลายประถมปลายประถมปลายเนี่ยมัธยมมัธยมเนี่ยมืออาชีพจะมือหาอะไระมืออาชีพแล้วเนี่ยมืออาชีพแล้วเนี่ย เมื่ออาชีพแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมคุณพี่น้องเห็นฉันไหมครับเมื่อคุณเห็นคนงานเหล่านี้ปั๊บไม่เพียงแต่คุณรู้ว่าเกิดขึ้นเองไม่ได้คุณรู้ทันทีเข้าใจทันทีว่าคนวาดหรือว่าผู้สร้างมันฝีมือระดับไหนจริงไม่จริงคุณดูเลยครับรู้เลยนี่ประถมนี่มัธยมนี่เรียนศิลป์นี่ไอ้นี้ทําไมครับเมื่ออาชีพนี่เมื่ออาชีพเมื่ออาชีพแล้วเนี่สวยไม่สวยสวยไม่สวยสวยไม่สว ย, สวยครับ สวยคุณดูดิคุณดูสีสันที่พระเจ้าแต้มไว้เห็นใช่ไหมครับสีสันที่พระเจ้าแต้มไว้ฮ ส, ส, สวยไหมสวยสวยไม่สวยขอโทษนะครับคุณดูดิผลงานเยี่ยมจริงๆถ้าคุณมีกล้องถ่ายรูปในมือขอโทษถ้าท่านมีกล้องถ่ายรูปอยู่ในมือถ้าท่านมีกล้องถ่ายรูปในมือเจอภาพนี้ท่านถ่ายไม่ถ่ายคุณสังเกตดีๆนะมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ชื่นชมผลงานของพระเจ้าได้ธรรมชาติได้คุณเห็นหมากับแมวนอนด้วยกันน่ารักคุณถ่ายไม่ถ่าย ว้าวน่ารักจังเลยคุณชื่นชมมันมีไหมครับมีหมาแมวตัวไหนไหมครับแอบมาดูคุณนอนในห้องนอนอะแล้วเห็นคุณนอนปุ๊บน่ารักจังมันหรอกยังไงแอบบถ่ายหน่อยแอบบถ่ายหน่อยมีไหมถ่า ย, ย, ม ไ, มายไม่มีอะมีแต่มนุษย์ที่ไหนมครับดูธรรมชาติที่พระสร้างแล้วพูดยังไงว้าวสวยจังเลยเห็นไหมดังนั้นท่านเถียงไม่ได้ครับว่ามีพระผู้่ะพระผู้สร้างนี่คือความจริงเปาโลได้พูดตรงนี้ขอพี่น้องอ่าน คำกีดเส้นใต้ครับ1 2 3สมเปาโลได้พูดชัดเจนบอกว่าไงเมื่อมนุษย์เห็นผลงานของพระเจ้าแล้วแต่ยังปฏิเสธว่าไม่มีผู้สร้างเขากาลังใช้ความชั่วบีบคัน้นความจริงเอาละพี่น้องครับไม่ว่าผมจะถามอะไรท่านไม่ว่าผมจะถามอะไรท่านขอให้ท่านสายหน้าอย่างนี้นะครับสายหน้าอย่างนี้ไม่เชื่อไม่ว่าผมจะถามอะไรขอท่านตอบว่าพร้อมอยังครับพี่น้องครับท่านเชื่อไหม นาฬิกาเรือนนี้มีผู้สร้างต้องใส่ต้องแสกอะไรครับท่านเชื่อไหมนาฬิกาเรือนนี้ผู้สร้างเมื่อผมถามว่านาฬิกาเรือนนี้มีผู้สร้างท่านเชื่อไปเชื่อแล้วท่านบอกไม่เชื่อผมนาฬิกาเรือนนี้มีผู้สร้างเชื่อไม่เชื่อท่านบอกไม่เชื่อข้อมีข้อนี้สําเร็จในตัวท่านเลยครับท่านกําลังใช้ความทั่วในตัวบีบคั้นอะไร IC ที่อยู่ในหัวท่านพี่น้องครับมนุษย์เรามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างนี่คือคําแรก เพราะว่าพระเจ้าพระเจ้ามีจริงไหมตอนนี้มาดูคําที่สองครับเพราะพระเจ้าทำไมครับทรงอะไรครับขอโทษนะครับผมขออนุญาตลบผลงานของเชอรี่นิดหนึง่งเพราะพระเจ้าทำไมครับทรงรักมนุษย์เมื่อกี้เราทูล่ละพระเจ้ามีจริงละตอนนี้มาดูคําที่สองเพราะพระเจ้าทรงรักน้องแน่นอยู่ไหนแดงอยู่ไหนลกูกแนนแนน น, นุ่นหรือแน่นเน็ตเน็ด อะไรนะ น, รนุ่นไม่ต้องออกมานุ่นเธอเรียนเอฟซีเอ์สตเรซีไม่เหรออแน น, นเหรอ <c oughs> แนเอแนเหรอลูก <c oughs> แนทแนทคำว่ารักตรงนี้ภาษากรีกใช้คําอะไร <c oughs> ใช้คําอะไรคิดดูคิดลองคิดดู <c oughs> เอาหนังลองพอ่อพ่อไม่น่าถามมันเลย <c oughs> อะไรครับ ในภาษากรีกนะครับคำนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์คําว่ารักตรงนี้ในภาษากรีกใช้คําว่าอากาเปคุณก็รู้แล้วภาษาไทยนะรักใช้ทุกอย่างรักหมารักแมวรักรถรักเงินรักอะไรรักหมดแต่ภาษากรีกที่ใช้เขียนว่าคัมภีร์นะเวลาใช้คําว่ารักนะเขามีสตัวพู่ตามผมอีลอสฟิเลนสเตอร์เกอากาเปเอาใหม่อีลอสฟิเลนสเตอร์เกอากาเป มนุษย์เราทุกคนเนี่ยขาดความรัก4ี่อย่างนี้ไม่ได้4อย่างนี้เป็นสิ่งที่พระผู้สร้างให้กับมนุษย์มนุษย์ต้องมีความรักแบบอีรอสฟิเลนสเตเกแล้วอะไรครับอกาเปอีรอสคือความรักแบบไหนอีรอลสเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวเขาใช้กับอะไรนะักปรัช ญ, ญากริชปรัช ญ, ญากริชบอกว่าเมื่ อ, อไหร่ที่คุณรักในสิ่งต่างของคุณรักในสิ่งที่ต่างของคุณแท้จริงแล้วควาที่ต้องแปลว่าชอบไม่ใช่แปลว่ารักแต่คําว่าอีรอสก็คือชอบแต่ไม่ได้แปลว่ารักเขา้าใจหรือเปล่าครับมันต้องแปลว่าชอบ แต่โอเคเราเข้าใจได้ก็คือความหมายว่ารักรักในสิ่งที่ต่ํากว่าอะไรครับมนุษย์คุณต้องใช้คําว่าอ e ีโรสเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวเรียกร้องให้สิ่งที่เรารักมันตอบสนองต่อเราเราไม่ต้องตอบสนองมันมันมีหน้าที่ทําไมตอบสนองเราฉันอ e ีโรสมือถือมือถือมีหน้าที่ทําไมตอบสนองความต้องการของฉันฉันไม่ต้องเอามันไปกินนมนอนอาบน้ําทุกวันเข้าใจหรือเปล่าครับไม่ต้องเอาใจมันคุณอ e ีโรสกีตา้ากีตา้ามีหน้าที่ทําไม ตอบสองความต้องการของคุณคุณอ e ีรอสหมาคุณเตะหมาหมาก็ชอบคุณคุณลูกผัวมันมันก็ชอบคุณมันมีหน้าที่ทําไมตอบสองความต้องการของคุณนี่ใช้คําว่าอ e ีรอสดังนั้นคําว่าอ e ีโรสเนี่ยใช้กับสิ่งที่ทำไมกับมนุษย์ต่ำกว่าอย่าใช้กับมนุษย์ด้วยกันเนตจะไว้เน็เตลูกทํามีผู้ชายพูดกระเธออย่างนี้นะลูกเนตจะ้ะฉันอ e ีรอสเธอเตะก้านคอมอะไรลูกเพราะมันมองเธอเป็นเครื่องตอบสนองความใคร่าทางเพศไม่ถูกต้องห้ามใช้กับมนุษย์ มันจะกลายเป็นอะไรครับเป็นเรื่องลามกเลยดังนั้นอีโรสคือลากศักด์ของคําว่าอ e ีโรติกเขาจะกับอ e ีโรติกไหมอย่าไปเปิดดูนะลูกไม่เอาแมวแมวแ ม, อ ม, อมอพอรู้ไม่ต้องเปิดดูแล้วโอเคต่อมาก็คือฟิเลนฟิเลนเป็นความรักที่เป็นไหนฟิเลนเป็นความรักแบบหนุ่มสาวเพื่อนคุณไม่มีสามีภรรยาคุณก็ต้องมีอะไรมีเพื่อนนี่คือฟิเลนต่อมาคือความรักเซอร์เกความรักทางสายเลือด6พันกันมนุษย์ก็ขาดไม่ได้แต่คุณทราบไหมปรัชียกรีกบอกเลย ข่ามกลางความรัก3ามอย่างนั้นนะมันแค่ในโลกใบนี้แต่มนุษย์เราทุกคนขาดความรักอากาเป้ไม่ได้ถ้าคนไหนขาดความรักอากาเป้นะไม่มีทางมีสันติสุขในชีวิตไม่มีทางพบกับคําตอบที่สุดในชีวิตไม่มีทางพบกับสันติสุขที่แท้จริงไม่มีทางและอากาเป้ปเชีากีบอกเลยมันไม่ได้ความรักที่อยู่ในโลกนี้มันมาจากเบื้องอะไรครับเบื้องบนดังนั้นที่พระบิบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ภาษากรีกใช้คำว่าอะไรครับ อากาเป้มันไม่ใช่ความรักในท่ามกลางมนุษย์มันเป็นความรักที่มาจากเบื้องละ่ะเบื้องบนคุณทราบไหมครับในความหมายของพกอุกิกะรักอากาเป้มีความหมายหอย่างรักอากาเป้มีความหมายหอย่างคุณจำไว้ตลอดชีวิตเลยครับคิดเสียแลต้องตอบไม่ได้นี่คือความหมายของรักอากาเป้กี่อย่างหนึ่งผู้ตามครับหนึ่งหนึ่งอากาเป้พูดดิอากาเป้คือความรักที่เข้าใจส่วนลึกของเราคุณฟังนี้นะ กาแฟเป็นความรักที่เข้าใจส่วนลึกของอะไรครับของมนุษย์ทุกคนทําไมมนุษย์ทุกคนต้องมีการเข้าใจส่วนลึกล่ะพี่น้องครับเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนนั้นอ่อนกําลังเราทุกคนเคยพลาดพังทําบางสิ่งอย่างที่ไม่ถูกต้องพูด ง, ง่ายๆเราเคยลม้มลงในความผิดบาปเราเมื่อเราทําความผิดบาปเราเก็บซ่อนไว้ในใจเราไม่กล้าบอกใครแม้กระทั่งพ่อแม่คนที่เรารักมากที่สุดเราก็ทำไมเราก็ไม่กล้าบอกท่านเพราะกลัวท่านเสียใจกลัวท่านรับไม่ได้ เราจึงเก็บเป็นความลับที่อยู่ในไหนในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในเป็นความลับที่บอกใครไม่ได้เราเก็บไว้อะไรนะครับมันเป็นชื่อเพลงเหรอรู้สึกว่าผมทํามาก่อนนะไอ้นี่มันเรียนแบบผมมาอีกสิบรอเลยพี่น้องครับมนุษย์เราทุกคนเคยล้มลงในความผิดบาปเคยทําบางอย่างเราซ่อนเก็บไว้เราไม่กล้าบอกใครเราไม่กล้าบอกใครแม้กระทั่งคนที่เรารักมากที่สุดหรือรักเรามากที่สุดคือพ่อแม่ เราก็ไม่กล้าบอกท่านเพราะเรากลัวท่านรับไม่ได้หรือกลัวท่านเสียใจเราจึงเป็นเก็บเป็นความลับที่อยู่ในไหนในใจปะชีอากีบอกเลยถ้าคุณไม่มีอากาเป้นนะคุณจะไม่มีที่สารภาพเลยพระเจ้าส่งอากาเป้มนุษย์คุณมีความผิดบาปอะไรนะคุณสามารถทําไมครับระ บ, บายต่อพระเจ้าได้หมดพระเจ้าพร้อมจะฟังทุกสิ่งเลยพระ อ, องค์พร้อมจะฟังเลยเนี่ยอากาเป้เมื่อใครสัมบัติอารากาเป้นนะคุณสามารถทําไมครับระ บ, บายความลับ สิ่งที่คุณเจ็บช้ำสิ่งที่คุณบอกข้อต้องทุกอย่างต่อบใครตอบพระเจ้าได้เลยนะหนุนใจท่านนะลองไปถามพี่น้องหลายคนโดยเฉพาะดาราหลายท่านเอาเอ่ยชื่อก็ได้ครับสนิทกันพี่ปุ๋อัญชลีโจกรดีกิจต้องไปถามท่านดูสิวันหนึ่งเมื่อท่านสม บ, บัดความรักกรเป้ท่านทําไมครับได้พบกับคําตอบชีวิตเลยท่านสามารถระบายความะความรักบางอย่างที่หนุใจที่ไม่กล้าบอกใครใออกมาได้นี่คือความรักกรเป้อย่างที่สองอากาะเป้นอกจากทําไมครับเข้าใจส่วนลึกแล้ว อย่างที่2ครับรักอาเกเป้เป็นรักที่ไม่มีข้อแม้ไม่มีการกระตุ้นจากภายนอกไม่มีการกระตุ้นจากภายนอกผู้รับใช้อยู่ไหนเนี่ยลูกสาวชื่ออะไรอาจารย์ลืมเลยชื่ออะไรเบลเบลลุกขึ้นเบลลุกขึ้นเบลลุกข MM ึ้นกูดูนะความรักอาเป้เป็นความรักที่ทําไมครับไม่ถูกกระตุ้นจากภายนอกเป็นความรักที่ไม่มีข้อแม่น้องเบลครับอาจารย์เบลครับช่วยหันหน้าไปทางที่ประชุมหน่อย หันหน้าครับหันหน้าไปโอเคพระกัมภีร์บอกชัดเจนจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่นอกเหนือจากนี้มาจากความชั่วหอมนะครับจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่นอกเหนือจากนี้มาจากความอะไรครับความชั่วดูหน้าน้องเบลครับสวยไหมจริงก็ว่าจริงแลวเว้ยไม่ก็ว่าไม่นะน้องนี้มาจากความชั่วสวยไม่สวยน่ารักไหมเอาน่ารักไหมน่ารักน่ารักไหม เฮ้ข้างหลังไม่ตอบน่ารักไหมน่ารักน่ารักไหมน่ารัก ห, หันมาหันมาเบลเจ๋งเลยเดีวันนี้นอนไม่หลับแล้วจริงก็ว่าจริงไม่ว่าไม่เนอกเนื้อมันจะความชั่วนั้นเขาไม่ได้ชั่วนะก็พูดเรื่องจริงโอเคอย่าเพิ่งเพิ่งเบลอย่าเพิ่งจบลูกลูกสาวจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่นะถ้า น, อน่องเหนือทีนี้มันจากความชั่วนะลูกมีผู้ชายจีบไหมอย่านะชั่วนะบอกให้รู้นะ มีไม่มีเฮ้ยต้องมียายายาโกหกนั่นนะนะเอานั่งลงนังนงกบพอแล้วพอแล้ว <laughs> คุณฟังไหมนะครับถ้ามีคนจีบพี่เบลนะน้องเบลนะเบลไม่ต้องดีใจเขาจีบเพราะเธอสวยเธอดูดีเธอน่ารักแต่ถ้าเธอทำไมฟันเหย่อนตาเหล่อ้วนล่ำดำสิวเดินแขกคดงนี้คุณว่าเขาจีบไหม จีบไม่จีบความรักมนุษย์มีข้อแม้ฉันรักเพราะเธอสวยฉันรักเพราะเธอดูดีฉันรักเพราะเธอรวยฉันรักเพราะเธอทําไมสะอาดฉันรักเพราะเธอเป็นคนดีแต่ความรักของพระเจ้าไม่มีอะไรครับข้อแม้ไม่มีการกระตุ้นจากภายนอกเท่านั้นเองไม่มีเลยพี่น้องครับความรักของพระเจ้าไม่มีข้อแม้ทังสิ้นถามคุณแม่เชอรี่ดิคุณแม่ของแม่น้องเชอรี่รักลูกไหมคุณลูกไหมทำไมคุณแม่รักลูก เพราะว่าเขาเป็นลูกถ้าไม่ใช่ลูกฉันก็ไม่รักไม่เข้าใจหรือครับความรักมนุษย์ถึงแม้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ยังมีข้อละข้อแม้ฉันรักเพราะว่าฉันรักเพราะว่าแต่พระเจ้ารักไม่มีคำว่าเพราะว่ารักพระบง์ทรงเป็นความรักรักไม่พ่อคุณดีพี่โตยัยงเอามาร้องเลยไม่ใช่ความดีที่ข้าเคยทามีแต่ความระยาที่ทามาทั้งปี อะไรนะเขาร้องไงวะร้องไม่เป็นจริงพี่ผมร้องไม่เป็นเนี่ยเขาร้องให้บอกไม่ได้อไม่ใช่พระเจ้ารักไม่ใช่พระเราดีจริงไม่จริงพระองค์รักพระองค์เป็นความอะไรครับเป็นความรักเป็นความรักนี่คือความรักอะเป้เป็นความรักที่ไม่ถูกกระตุ้นจากภายนอกอย่างที่สมครับอะเป้นอกจากเป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ใดใแล้วอย่างที่3ามอะเป้ยังเป็นความรักที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง Ne ื้อประเชิไม่มีคําว่าเปลี่ยนแปลงเลย ไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงความรักนี้ก็ยังอยู่กับคุณความรักอาเปเป็เป็นอย่างนั้นพี่น้องครับผมถามหน่อยวันนี้ท่านมาฟังเทศนามา n ม m a s k a พระองค์คุณพระพงษ์รักคุณไหมรักไม่รักรักวันหนึ่งคุณไม่เอาพระองค์ด่าพระองค์ผมขืนพระองค์นหนีจากทางองพระองค์ยังรักอยู่ไหมรักไม่มีคําว่าเปลี่ยนแปลงความรักของพระเจ้าไม่มีคําว่าเปลี่ยนแปลงแต่ความรักมนุษย์เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคุณเคยฟังเรื่องกิมลังกิมกี่ไหม รู้จักกิมรังกับกิมกีไหมไม่เคยได้ยินเลยครับพี่เรื่องกิมลังกิมกี่เนี่ยกาลังจะบอกว่ามนุษย์เรามีการทําไมครับเปลี่ยนแปลงกิมลังเนี่ยขายขนมมเข้ามาแขงอยู่ที่เมืองเพชรส่วนกิมกี่เปิดร้านทองอยู่ที่นครศรีธรรมราชไม่เคยได้ยินตานานกิมลังกิมกีเลยเหรอกิมลังกิมกี่กำลังพูดถึงความรักมนุษย์มันเปลี่ยนแปลงไปตอนที่อโมวยกิมลังอโมวยกิมกี่อยู่ที่เยาวราชสองคนเล่นเป็นอโมวยโดดยางกันกิ้งกองแก้วกิ้งกองแก้ว รักกันมากๆรักกันสุดท้ายเอาหวยกิมรังเอาหวยกิมกี่ก็โตเป็นอะไรครับอเจกิมรังอาเจกิมกี่วันหนึ่งสองคนก็เอานิ้วก้อยมาคบกัอนอย่างเงี้กิมรังมานี่แล้วมากิมกี่เราต้องรักกันนะเราจะต้องไม่แยกจากกันเราจะต้องไม่ทะเลาะกันเราเป็นเพื่อนรักกันตกลงสุดท้ายกิมรังกิมกี่ก็แต่งงานแต่ไม่ใช่แต่งงานผู้ชายคนเดียวกันนะครับสามีใครสามีมันแต่งเสร็จ ป, ปุ๊บด้วยความรักจึงบันทาไมมาเปิดร้านทองติดกันเปิดร้านทองติดกันที่หัวรา้าน โอ้ยไอร้านสองร้านนี่นะเป็นที่อิจฉาของคนเยาวราชร้านทองเพราะร้านสองร้านนี่มันรักกันมากๆรักกันจริงทองร้านกิมลังขาดวิ่งไปเอาทองบ้านกิมกี่กิมกี่ขาดวิ่งไปทองในรังกิมลังช่างไม่มาช่างไม่มาไปหาช่างทองกิมกี่รักกันมากมันแฮปปี้จริงๆแต่แล้ววันหนึ่งไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกิมลังดันไปเขียนป้ายติดไม้อยู่หน้าบ้านติดร้านห้างทองแม่กิมลัง เขียนเท่านั้นมีเรื่องเลยกิมกี่ออกมากว่าหน้าบ้านเฮ้ยเพื่อนเร า, ากิมลังทําไมไปเขียนอย่างนี้ทําไมร้านกิมลังกิมกีไม่ใช่ร้านเดียวกันเหรอทําไมยกแยกกิมลังกิมกีอยากขายี่กันเหรอได้เธอเขียนได้กิมลังฉันก็เขียนได้แกเราเขียนบ้างห้างทองไม่กิมกีเห็นไหนมกิมลังมากกว่าหน้าบ้านเจออะไรเพื่อนยอมกันไม่ได้เหรอทําไมต้องสู้ยอมกันไม่ได้เหรอเห็นเราเขียนอิจฉาเหรอโอได้ เบิกนอกกังยิ้มต่อกันนะใจเริ่มเครียดเลรอจิมลังทำไมเครีดป้ายก็ได้เขรียดว่าอะไรครับทองดีต้องแม่กิมลังนี่นอกจากมีห้างทองจิมลังทองดีต้องแม่กิมลังกิมกีมังกรเาเจ้าเขียนทองนี้แม่จิมลังเราก็เขียนได้โว้ยแกมเขียนป้ายเลยทองดีแม่จิมลังเล่าทองดังแม่กิมกี่โอ้ยสองบ้านเริ่มเครียดกันเลยวันต่อมากิมลังขึ้นป้ายเลยทองแม่กิมกี่ตามังกร ไอ้กิมก็ท้องแม่งิลังตามางกอดท้องแม่กลังตาบางกอดกิมกี่เขียนป้ายบ้างได้มีตาก็มีท้องแม่กิมกี่ตาดกอินซีอืมเอาเลยสองบ้านเ้ิไม่มองหน้ากันแล้วต่อมาครับขึ้นไปอีกกิมลังเขียนว่าไงระ้ไหมครับทองแม่กําลังดังกว่าท้องแม่กิมกี่นี่ไปชื่อนี้ด้วยกิมกี่เขียนป้ายสู้เลยมันเขียนทองแม่กิมลังดังกว่าท้องแม่กิมกีเราท้องแม่กิมกี่ดีกว่าท้องแม่กิมลังแล้วสุดท้ายวันแตกหักก็เกิดขึ้น แม่กิมรังเขียนป้ายมือมาเลยมังกรแม่กิมรังเหยียบหัวนกอินีแม่กิมกี่เท่านั้นแหละกิมกี่เขียนป้ายสวนเลยนกอีซีแม่กิมกี่จิกฝีมังกรแม่กิมรังโบดแตกไม่ใช่โบดแตกร้านทองแตกอ น, นึงไปขายพวกข้าวมัแกงอั น, นึงไปขายร้านทองอยู่นครศรีธรรมราชไปดูเลยนี่ตำนานจริงไม่จริงเรื่องคนละเรื่องแต่นี่ตำนานเขาเล่ามาเองพี่น้องครับความรักมนุษย์มันเปลี่ยนแปลงไป เวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนจริงไมจง่จริงจริงไม่จริงสามีภรรยาก็ยิ่งชัดตอนที่เป็นแฟนกันเดินทําไมครับชอบเอามือไปแตะแตะเวลาข้ามหนก็จูงมือพึบผู้หญิงถามเลยจุงทําไมจุงทําไมแต้อังเหรอโอ้ยกลัวรถชนแต่งงาน1 8บแปีลูกสามคนตอนนี้จูงมือเดินไหมผู้ชายเดินนําหน้าผู้หญิงเดินตามหลังผู้หญิงน้อยใจ กลักลวรถชลยกูชายหันมาตอบเลยถ้ากลัวรถชนนะเอาสิ่งดีแขวนไว้ที่ก้นแล้วมันมองเป็นอะไรช้างเดินอยู่ตามถนนพี่น้องความรักอาเป้ไม่ใช่อย่างนี้ความรักมนุษย์มันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตามมันเวลาเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนอย่างที่สี่ครับความรักอาเป้เป็นยังไงอันนี้สําคัญความรักอาเป้ เป็นความรักที่มอบสิ่ง The best ให้กับมนุษย์มอบสิ่งที่เป็น The best ให้กับมนุษย์ใครมาเป็นลูกสาวกับแม่บ้างครับใครมานะครับนอกจากน้องเชอร์รี่มีไหมครับมีมี แ, ม, แ ม, ม, ม่แม่มาไหมแม่มาไหมแม่อยู่ไหนไหนคุณแม่อยู่ไหนครับคุณแม่ภรรยาพี่อ๋องอะ่ะอยู่ไห น, อ ย, ไหนอยู่ไหมครับภรรยาพี่อ๋องอยูไอย่ไม่อยู่ครับไม่อยู่เชอร์รี่เอ้ยเธอเปลืองแล้วลูกมาเร็ว เชอรี่มาแล้วคุณแม่ครับอเจอันนี้ติ๊กต่างทั้งหมดนะนี่ตีต่างไม่ใช่เรื่องจริงนะติต่างนะครับ ข, ขอยืมลูกสาวเล่นหน่อยนะครับติต่างนะแม่อย่าซเรียส น, นะอันนี้เรื่องเรื่องสมมติทั้งสิ้นนะเชลรี่นะเชอรี่อย่าเล่นอย่ า, ย า, ยากดอาจารย์นะลูกนะโอเคความรักอากาเป้อย่างที่สี่เป็นความรักที่มอบสิ่งนี้ทำไมครับดีที่สุดให้กับผู้ที่พงทรงหลักนี่คือ the best อย่างที่สี่เนี่ยคุณจะสามารถเห็นเงาของความรักเดอะเบสได้ความรักแบบเอเป้อย่างที่สี่ได้ผ่านทางความรักของคุณพ่อคุณแม่ปิดารู้จักให้ของดีแก่ บ, บุตรชันใดเราก็ให้ทําไมของดีแก่คนที่เป็นคนเราฉะนั้นบิดาสงสารบุตรของชัชใดเราก็สงสารคนที่ยังเปมนอนเราฉะนั้นมารดาเละโรมบุตรของชันใดเราก็ละโรมใจเจ้าฉะนั้นดังนั้นความรักเอเป้อย่างที่4เนี่ยมันจะผ่านทางอะไรครับผ่านทางอะไรครับ เงาของพ่อแม่เงาพ่อแม่ที่รักคุณล่ะเป็นความรักแบบอะคาเป้ให้เห็นชัดๆเอาดูนะคุณแม่ชื่ออะไรครับรคุณแม่มารีคุณแม่มารีครับฟังดีๆนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าถ้าคุณอยากทราบว่าคนไหนรักน้องเชอร์รี่มากที่สุดคุณอยากทราบว่าคนไหนรักน้องเชอร์รี่มากที่สุดคนที่รักน้องเชอร์รี่มากที่สุดนะจะต้องมีคุณสมบัติ5้ประการนี้ต่อน้องเชอร์รี่ ใครก็ตามมีคุณสมบัติห6ประการที่ต่อน้องอะไรครับเชอรี่เขาเป็นคนที่รักน้องเชอรี่มากที่สุดประการที่หนึ่งดูนะคนที่รักน้องเชอรี่มากที่สุดเป็นอย่างนี้เวลาน้องเชอรี่ประสบบความสําเร็จได้รับการยกย่องมีชื่อเสียงวันหนึ่งถ้าหากน้องเชอรี่ประสบความสำเร็จยกย่องได้รับการยกย่องมีชื่อเสียงกับคนทั่วไปในสังคมเลยคนที่รักน้องเชอรี่มากที่สุดจะภูมิใจมากที่สุดภูมิใจมากที่สุดวันนั้น ผมนายดิกรกับคุณแม่มารีใครภูมิใจน้องเชลรี่มากที่สุดใครครับตอบถูกครับคุณแม่ผมอัด จ, จะทำไมดีใจด้วยแล้วก็หมั่นใส้นิดนิดฉาลูกเราไม่ได้เหมือนเขาอย่างเงี้ยเข้าใจหรือเปล่าครับแต่คนที่รักน้องเชอรี่จะทําไมครับแฮปปี้ที่สุดดีใจที่สุดสองคุณอยากรู้คนไหนรักน้องเชลรี่มากที่สุดง่ายมากนี่เรื่องสมมุตินะลูกนะวันนึงสมมุติน้องเชอรี่ทําตัวไม่น่ารักเลย ทำในสิ่งที่เลวร้ายมากๆคนที่รักน้องเชอรี่มากที่สุดจะเสียใจมากที่สุดวันนั้นถ้าน้องเชอรี่ทําอะไรไม่ดีเลวร้ายมากๆนะคนที่เสียใจมากที่สุดคืนอนิกกอนหรือมารีฮะมารีครับไม่ใช่ผมครับผมอาจจะเสียใจนิดๆแต่แม่มารีทําไมครับเสียใจมากๆเลยเพราะแม่มารีรักที่สุดจริงไม่จริงเวลาคุณทําอะไรไม่ดีนะพระเจ้าอ like, าเกเป้คุณนะใครเสียใจมากที่สุดพระเจ้าเวลาคุณดีนะใครภูมิใจมากที่สุด เจ้าอย่างที่สามเวลาน้องมารีนะครับเจอมลสุปปัญหาชีวิตโอ้ยเข้ามาป่าทาปฐมเลยครับเหมือนพายุกล้ามาเลยคนที่รักน้องเชอรี่มากที่สุดนะก็คือคนที่อยู่เคียงข้างน้องเชอรี่ไม่หายไปไหนพร้อมจะยืนเคียงข้างน้องเชอรี่ในการสู้ปัญหานั้นและผ่านไปได้วันที่น้องเชอรี่นะมีปัญหาคนที่รักมากที่สุดจะเป็นอย่างนั้นถามจริงวันที่น้องเชอรี่มีปัญหามากที่สุดใครยืนเคียงข้างน้องเชอรี่นิกรหรือมารีฮะ แม่มารีครับนิกรเป็นไงครับจะทีฐานเผื่อนะลูกนะก็ <c oughs> จบอย่างที่สคนที่รักน้องเชอรี่มากที่สุดอย่างที่4ี่คืออะไรครับไม่ว่าน้องเชอรี่จะทําเลวร้ายขนาดไหนทาผิดขนาดไหนนะความรักของคนที่รักน้องมาลีไอ้น้องน้องเชอรี่มากที่สุดนะก็คือทําไมถึงแม่น้องเชอรี่จะทําผิดมากมายนะไม่เคยทําให้ความรักของเขาที่มีต่อน้องเชอรี่น้อยลงเลยกับรักเพิ่มมากเรื่อยเรื่อยด้วยซ้ำไคือไม่มีผลกระทบต่ออะไรครับ ความรักเขาที่มีต่อน้องเชอรี่เลยวันที่น้องเชอรี่ทํำอะไรไม่ดีนะใครครับที่ยังรักน้องเชอรี่เหมือนเดิมความรักไม่เคยน้อยลงนิกกอรหรือมารีไม่ใช่ผมนะครับถ้าน้องเชอรี่ลองขโมยเงินผมสักสามพันนะผมเลิกครบเลยนะผมบอกให้รู้นะครับแต่แม่ไม่ใช่ทําผิดแค่ไหนแม่ก็ทําไมครับยังรักนี่คืออากาเปะต่อมาครับอย่างที่ห้าวันหนึ่งน้องเชอรี่นะขอโทษนะลูกอันนี้สมมุติเลยนะลูกนะไม่มีคนเอาแล้ว เดินโซซัสจูเซอยู่ตามถนนแถวแถวแถวอโศกลมพัดไม่มีคนเอาสักคนเลยเพื่อนก็ไม่เอาเพื่อนเคยเราบอกก็รักเชอร์รี่ทิ้งหมดแฟแนแทิ้งหมดเชอร์รี่เดินตากฝนอยู่คนเดียวคนที่รักน้องเชอร์รี่มากที่สุดจะเป็นคนที่มาตามหาน้องเชอร์รี่กลับไปบ้านนิกรหรือมาลีผมจะหาไหมคุณรักผมจะหาไหมผมจะพูดว่างไง จะที่ฐานเผื่อนะครับขอพระเจ้าเมตตาแต่ใครครับตักลมจากฝนไม่หาแม่สุดท้ายอย่างที่หคนที่รักน้องมารีมากที่สุดเป็นยังไงคุณฟังนี้นะครับเนี่ยกาแฟเฮ้ยคนที่รักน้องเชอร์รี่มากที่สุดเป็นยังไงมาดูนะครับอย่างที่หคุณแม่มารีครับถ้าวันหนึ่งน้องเชอร์รี่นะไม่สบายหนักตับไตไส้พุงเนี่ยพังเกลี้ยงเลยส่งไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าคุณแม่ อีกสามวันตายแน่ลูกคุณเสียใจไหมแล้วคุณแม่มารีก็ถามหมออย่งี้คุณหมอคะมีทางช่วยลูกสาวี่ฉันไหมครับคุณหมอบอกว่าอืมมีอยู่ทางนึงเอาไหมล่ะเอาแมเอามีอยู่ทางเดียวเอาไมเอาเอา ค, คืออะไรครับคุณหมอคืออย่างงี้ผมได้ตรวจเครื่อในไ้ทุงของน้องเชลลี่แล้วนะ d n เอนเอของเขาเลือดของเาเนี่ยเข้ากับกุ๊เลือดของคนสองคนคือกุ๊เลือดของอาจารย์นิกรกับคุณแม่มารี คือถ้าอยากให้น้องมาลีเนี่ยไอ้ยน้องเชอรี่เนี่ยอยากให้น้องเชอรี่พ้นจากการตายเนี่ยก็ต้องเอาเอาอยะภายในของอาจารย์ดิกรหรือคุณแม่มารีไปแลกไปใส่แทนเขาก็จะมีชีวิตแต่คนที่ให้ต้องตายคุณว่าคนไหนครับจะยอมสละอาอยวะภายในไปให้น้องเชอรี่ <Hey. S 1> ถามแม่มารียอมไ ม, ม่ยอ ม, มยอมไม่ยอมคุณลองถามพอดีผมยอมไม่ยอมถามนี้อาจารย์ยอมไม่ยอมถามดีคุณแม่ถามนี้ ผมก็จะพูดกับน้องเชลรี่งี้เชลี่งานจบแล้วลูกงานจบแล้ว <c oughs> เข้าไปพักสงบในพระเจ้าได้แล้ว <c oughs> แต่ใครครับที่ยอมสละชีวิตแม่ยอมไม่ยอมดังๆไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินได้ยินไมได้ยินมได้ยินไหมรักมากๆแล้วคนนี้รักมากๆแล้ต่อไหน่อยกับน้องเชลี่เก่งมากเห็นไหมความรักอาเปเป็นความรักที<ะ>่มอบอะไรครับ the best ให้กับเรา แม้กระทั่งอะไรครับชีวิตก็ให้ได้จริงไหมครับพี่จริงไหมเอ่ยให้ให้ลูกไหมให้ลูกไหมให้เปล่าถามจริงให้ไหมให้ให้ใหอ ย, ยิ้มสิให้แน่นอน <laughs> นะครับ the best ให้กับอะไรให้กับคนที่รักที่สุดนี่คืออากาเปและอย่างที่ห้าอากาเปคืออะไรครับพี่น้องครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์อากาเปเนี่ยก็คือปารถนาจะเป็นหนึ่งเดียวกับปารธนาจะเป็นหนึ่งเดียวกับ มนุษย์คุณจําไว้เลยนะครับรักก็คือปฎิหาระเป็นหนึ่งเดียวกับเขาคุณรู้ไหมครับหลายคนเนี่ยคนไทยเข้าใจผิดพูดผิดฉันรักหมาฉันรักแมวคุณรู้ไหมปัิยากิีกนั่งฟังนะหัวเลอกกากเลยคนฝรั่งนะเวลาเขารักอะไรเวลาเขาจ้ากอะไรก็คือเขาต้องการให้สิ่งนั้นทําไมครับเป็นหนึ่งเดียวกับเขาเวลาเขารักอะไรเขาต้องการให้สิ่งนั้นเป็นหนึ่งเดียวกับเขาเขาจะใช้คําว่ากินกินผมมีเพื่อนเป็นมิชชันนารี วันหนึ่งผมจะพาเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดผมไม่ทราบว่าเขากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดได้ไหมผมก็ถามเขา Can you eat duck Can you eat duck ฝรั่งตอบ Oh yes I really love duck I really love duck แปลว่าอะไรถ้าแปลไทยอะไรครับฉันรักเป็ดนี่มาเป็นประยกักษเลยคุณรักอะไรก็คือป่าธนาหยใช่ไหมครับสิ่งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคุณกินก็คือกลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณรักเป็ดก็คืออยากให้เป็ดทไม กายปเป็นส่วนห่งของกายฉันเห็นไหมดังนั้นคนฝรั่งพวกกีกนะ็งงไทยมากเลยไอ้เล็บแคทไอ้เล็บด็อกฝรั่งโงงมันจะทําซุปหมาซุปแมวกินเลอพี่น้องสิ่งที่ต่ํากว่าต้องใช้คําว่า I like I like dog I like cat ไม่ใช่ I love. I love I love ก็คือใช่ไหมครับต้องการเป็นหนึ่งเดียวกับเราดังนั้นกินรักอกาเป้ก็คือต้องการเป็นหนึ่งเดียวกับเราพระเจ้าทรงรักมนุษย์ก็คือพระองค์อยากจะเป็น เดียงเดียวกับเราพูดง่ายๆพงษอยากจะกินเราอยากจะกินเราเข้าใจหรือเปล่าครับสำหรับเราคนไทยเราง่ายมากเราเข้าใจเรื่องกินง่ายมากความรักต่อการกินเราเข้าใจาง่ายมากคนไทยเราเข้าใจง่ายมากเพราะอย่างน้อยเรามีครูสองคนหนึ่งเรามีครูแก้แด็กทุกคนแก้กันสองเรามีครูลบบุรีรักไม่รู้จักเหรอรู้จักแก้ไหมครับโอ้ยอย อยากจะกืนกินเธอทั้งตัวไม่อยากเหลือไว้ให้ใครได้กินเห็นไหมอยากจะกืนกินเธอทั้งตัวหมายถึงอะไรอยากจะกินเธอให้กลายเป็นอะไรครับเป็นหนึ่งเดียวกับเราเป็นหนึ่งเดียวกับฉันเข้าใจหรือเปล่าครับงง ง, งรู้จักรอ บ, บุริลลับไนะ์ม สวยจริงๆยอดยิ่งๆสวยเฉิดฉลวยสวยจริงพี่บนไม่ออกร่างคมคำถึงจะดำแต่ก็ยังเด่นแรกพบเห็นใจพี่มันแทบจะช็อกจะดูโซบมโงผมก็ดำจะดูในตาในตาก็ดำอุ้ยเดี๋ยวก็หม่ำซะหรอกยังไม่เข้าใจหรอครับรักก็คือการทำไมครับกินให้เป็นหนึ่งเดียวกับเราพระเจ้าทรงรักมนุษย์พงปาถนาทำไมจะทให้เรากินเราพี่น้องครับ พระเซูเข้าไปโรกนี้เพื่อจะทําไมเพื่อทําไมไม่มามาไหมครับช่วยกดไหนครับพี่ไม่มาเลยครับมาไหมช่วยกดไหนครับอันี้โอ้โหมันไปไกลแล้วเวสมาไหมครับกดเลยครับกดเลยครับไปเลยครับไปเลยนี่ไปเลยครับอ่าไปเลยครับอ่าไปเลยครับนี่ไปเลยครับนี่นี่พูดละ ไปเลยครับนี่กลายหนึ่งเดียวกันมาแชงความรักไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับนี่เห็นไหมพระเยซูขึ้เข้าไปโลกวนี้ก็เพื่อทําไมครับทําให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับใครพระบิดาย้อนกลับไปอันหนึ่งครับย้อนกลับมาหนึ่งพู ด, ดง่ายๆรักก็คือการละ่ะกินแต่พี่น้องครับพระองค์รักมนุษย์พงอยากจะกินมนุษย์แต่พระองค์ก็คือปัญหาเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์แต่มนุษย์ไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าได้เพราะอะไร เพราะอะไรสิ่งใดที่คุณกินเข้าไปในตัวกลเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายท่านท่านต้องเป็นสิ่งนั้นต้องทําไมครับสะอาดวันนี้ถ้าตอนเที่ยงนะไอ้ตอนเย็นนะท่านไปนทานข้าวที่าอาหารร้านข้าวแกงเอาแม่ค้ากินข้าวแกงหน่อยพอเปิดฝาหม้อมาถ้าสะอาดแล้วก็กินใช่ไหมครับแล้วก็กินให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราใช่ไหมครับร่างกายเราแต่ถ้าเปิดออกมาขอโทษนะครับมีหนอนไต่อยู่มีแมงสาบวิ่นมีหนูยิงคุณจะทานไม่ทานคุณก็ไม่เอาสิ่งนั้นมาเป็นอะไรครับ หนึ่งเดียวในร่างกายของคุณเช่นเดียวกันพระเจ้าทรงรักมนุษย์แต่มนุษย์ไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าได้เพราะมนุษย์ทำไมซกซกซกกระปกไงทำไมพระเจ้าต้องประทานพิเศษมาพอเห็นภาพกลางๆไหมเห็นภาพกลางเปล่าโอเคไปต่อนะครับไม่มาเลยครับไปต่อแล้วครับเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์เอาละตอนนี้มาดูเพราะว่าพระเจ้าพูดไปแล้วทรงรักพูดไปแล้วตอนนี้พระเจ้าทรงรักอะไรครับมนุษย์มีคําถามหนึ่งที่ผมได้ยินบ่อยเลยขอภาพเลยครับ อาจารย์ถ้าพระเจ้าสาร้างทุกอย่างดีหมดนะสิ่งเลวร้ายในโลกเกิดขึ้นมาจากไหนสิ่งที่เลวร้ายชั่วร้ายในโลกมนุษย์นี้มันเกิดขึ้นมาจากไหนถ้าพระเจ้าสาร้างทุกอย่างดีหมดสิ่งชั่วร้ายมันมาจากไหนพี่น้องครับง่ายมากคุณดูนะครับท่ามกงกรสรรพสิ่งนี้พระเจ้าทรงสร้างนะมีอย่างเดียวที่อันตรายสัตว์พระเจ้าก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดจริงๆไม่ใช่อคุณถามน้องเบลน้องเบลมาหน่อยเอาเร็วสิลูก เร็วสิน้องเบลเร็วลูกอันนี้ไม่ดั ง, ดงครับดังไหมครับมาคุณจะรู้ว่าคนนี้อันตรายไม่อันตรายคุณดูนะน้องเบลมองสิ่งมีชีวิตที่คุณอยากใช้ชีวิตร่วมกับเขามากที่สุดคือคนหรือควายคนค่ะเยี่ยมสิ่งมีชีวิตที่คุณอยากจะพูดคุ ย, ยกับเขามองตาเขาคือคนหรือควายคนะสิ่งมีชีวิตที่คุณรักเขามากพร้อมที่จะเสียสละหลายอย่างเพื่อเขาได้คือคนหรือควายคนเห็นไหมคนน่ารักไหม คนรักไหมแต่คนก็อันตรายด้วยไอไม่เชื่อฟังเบลสิ่งมีชีวิตที่ทําให้เธอเจ็บช้ำทั้งใจมากที่สุดคือคนหลึกควายคนคนค่ะสิ่งมีชีวิตที่เธอไม่อยากเห็นหน้ามันมากที่สุดคือคนหลึกควายควายคนลึกควายคนค่ะคนสิ่งมีชีวิตที่ทําให้เธอโมโหที่สุดคือคนหลึกควายงุนหงิดคนขอบคุณครับเห็นมหมคุณเียนคนไหมอันตรายมไหมทำไมคนอันตราย เพราะคนเลือกได้ว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าก็ได้หรือ <MUR> โดย i, <ver cat> พระบีพูดชัดถ้าคนเชื่อฟังพระเจ้าคนจะมีความสุขและไม่ตายแต่หน้าเศร้าคนเชื่อฟังไม่เชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟั ง, ฟงดังนั้นคนจึงตกในความบาปขอภาพเลยครับคนจึงตกอยู่ในความอะไรครับความบาปคุณอยากรู้ว่าคนตกในบาปจริงหรือเปล่าลองไปถามเด็กๆดูผมเป็นอาจารย์คริเสเตียนที่เป็นนักเขียนด้วยผมเขียนหนงังสือแกอ่านหนังสือผมไหมเคยอ่านหนังสือผมไหมครับ การุณาซื้อด้วยนะครับเล่มหนึ่งสิบห้าบาทยี่สิบาททุกถู ก, กแล้วรายจะต่อนะอย่าต่อนะครับผมไปที่ร้านหนังสือคิดเซียนคลที่สีลมพอเข้าไปปุ๊บผมก็ไปดูตลาดคือคนส่วนมากจะเห็นหนังสือผมแต่ไม่รู้ว่าผมเป็นคนเขียนผมจะเดินเข้าไปครั้งหนึ่งผมเดินเข้าไปครับเจ้าของร้านน้องที่เ็าดูแลร้านสีลมก็เดินมาสวัสดีครับเป็นอาจารย์หรือเปล่าครับผมเป็นอาจารย์ครับ ผมก็ปล่อยเสื้อล อ, อยชายคงณเท้าแตะเขาดูสภาพแล้วไมน้าเหมือนอาจารย์เท่าไหร่งี้ยผมก็ยืนดูหนังสือแล้วแกก็ถามผมแกยังไม่รู้ผมอาจารย์นิกรเน่ยผมก็เดินผมก็เปิดหนังสือผมอา่านหนังสือหนังสือเนี่ยหนังสื อ, ส อ, สอแล้วก็ดูเฮ้ยมีซีดีเอ็ด้วยรวมฮิตอาจารย์นิกรคือเขาไปอ่าน จ, จากยูทูบมาคัปปี้ไปอะไรเอ็มพีขายด้วยแผ่นละสีบหาบาทที่โกนคืออะไรรู้ไหมไม่ยอมให้ส่วนแบ่งเลย ไม่ถามนิกสิตแล้วก็ยืนผมก็หยิบมาดูโอนี่นครับอาจารย์คนนี้เทศดีนะครับอาจารย์นิกกร์เ น, นี่ยเคยรู้จักอาจารย์นิกกร์ไหมครับผมก็ถามโอ้ไม่เคยเห็นท่านเลยครับมีรูปไหมครับมีรูปไหมครับโอ้นี่นี่ น, น, าา น, นี่อาจารย์วันนี้ดีใจจับใหญ่อาจารย์ออยากเห็นตัวจริงมานานแล้วอาจารย์รู้ไหมร้านหนังสือเรานะหนังสืออาจารย์เต็มไปหมดเลย โอ้ยชื่นใจมากๆฟังแล้วพอประโยคที่สองพูดว่าอะไรรู้ไหมหนังสือคนอื่นมาอยู่ไม่นานก็ไปของอาจารย์ทําไมอยู่นานจริงๆไม่ยอมไปเลยกรุณาซื้อหาด้วยนะครับพี่ผมเป็นอาจารย์คิดเซียนเขียนหนังสือด้วยผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งผมพูดอย่างนี้ครับมนุษย์เราเมือ่อไม่เชื่อฟังพระเจ้ามนุษย์ตกอยู่ในความอะไรความบาปคุณอยากรู้มนุษย์ตกในบาปจริงหรือเปล่านะ คุณเปิดได้่มบอร์ที่เจ็คุณก็เห็นชัดไม่ต้องเปิดตรง น, นี้กลับไปเปิดเดงคุณกลับถ้าอยางรูมนุษย์ตกในบาปจริงหรือเปล่าคุณไปเปิดร่มเบอร์ที่เจ็พี่น้องพูดตามผมครับปรากฏการที่มนุษย์ตกในบาปมีสองอย่างหนึ่งอยากทําดีทําไม่ได้สองไม่อยากทําชั่วทําอยู่ทุกวันนี่เรื่องจริงมนุษย์ตกอยู่ในความอะไรครับความบาสหนังสือเล่มหนึงผมเขียนเลย ถ้าคุณอยากรู้ว่าตกในบาปจริงหรือเปล่าคุณไปถามเด็กๆดูแล้วคุณจะรู้ว่าเราทุกคนตกอยู่ในความอะไรความบาปคุณไปถามเด็กดูสิครับถามเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงอายุหกเจ็ดขวบถามดูเลยคุณถามเด็กผู้ชายดูเลยครับลูกโตขึ้นสูงบุหรี่ไหมเด็กผู้ชายตอบว่างไงไม่ครับอยู่หนังโป๊ไหมไม่ครับยิงต้องห้องไหมไม่ครับขอรับชั้นไหมไม่ครับจะขี้โกงไหมไม่ครับจะขี้โกงไหมไม่ครับจะทําผิดประเภทไหมไม่ครับ คุณลองถามผู้หญิงสิโตขึ้นเล่นหวยไหมลูกไม่ค่ะเถียงว่าเถียงแม่ไหมไม่ค่ะนินทาคนไหมไม่ค่ะจะล้อข้อสอบไหมไม่ค่ะจะน้อยใจไหมไม่ค่ะถามอะไรก็ไม่ครับไม่ค่าไม่ครับแต่พอโตขึ้นเป็นยังไงทุกเรื่องเลยเวลานี้เราทุกคนมนุษย์เราไม่เชื่อพระเจ้าตกอยู่ในความไหครับความบาปพรมพีพูดชัดเจนวันนึงเมื่อมนุษย์ตายไปวิญญาณจอกจากร่างแล้วอยู่ไม่นานนะครับลกไปนี้ วิญญาณจ้อกเทล่างมุ่งตรงสู่กาเลยครับพิ่ภาษาและบรรพายของมนุษย์ก็คืออะไรครับบึงไฟนรกพระเจ้าทรงรักมนุษย์สวรรค์บริสุทธิ์อยากให้มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าแต่ไม่ได้เพราะมนุษย์เราตกอยู่ในความละความบาปดังนั้นพระเจ้าจึงส่งใครมาเพื่อชำระล้างส่งใครมาครับพระเอซุคิดพี่เอซุคิดมาเพราะอะไรล่ะพะี่น้องครับเสื้อที่สกปรกเนี่ยทําตัวเองให้สะอาดได้ไหมไม่มีทางได้ ถ้าเสื้อสกปกจะสะอาดได้นะสีที่ทำให้เสื้อสกปกสะอาดได้สิ่งนั้นต้องมาจากนอกตัวมันไม่ใช่ในตัวมันโดยตัวของมันเองมันไม่สามารถทําตัวเองให้สะอาดได้มนุษย์เหมือนเสื้อสกปกไม่สามารถทําตัวเองให้ทําไมได้สะอาดได้ถ้ามนุษย์จะสะอาดได้จะต้องมีบางสิ่งที่นอกเหนือจากมนุษย์เข้ามาชําระมนุษย์สะอาดและบางสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ทําไมด้วยสะอาดด้วยถ้าคุณจะเอาน้ําสกปกซักเสื้อสกปกมันก็ยิ่งสกปกคุณต้องใช้น้ําอะไรครับน้ําสะอาดเมื่อคุณใช้น้ําสะอาดซักเสื้อสกปก เสื้อก็จะกลายเป็นเสื้อสะอาดส่วนน้ําก็จะเอาขอบซาวสก๊ อ, อกไปดังนั้นเนี่ยมนุษย์เราจะต้องทําไมครับมีผู้หนึ่งที่ไม่มีบาปเลยเป็นเหมือนน้ามาชําระล้างมนุษย์ให้ทําไมครับสะอาดพระเจ้าจึงส่งใครมาส่งให้ม า, มาเพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์จึงได้ส่งประทานใครครับพระบุตรอง์เดียวบ่งส่งให้มาครับพระเอกรุสขิตพี่น้องครับพระเอกรุสขิตเป็นใครคุณทราบไหมครับตั้งแต่มีการบันทึกอดิศาสนนะ ตั้งแต่มีการบันทึกศาสตร์ของโลกไว้นี้นะตั้งแต่โลกนี้มีการบันทึกศาสตร์นะครับมีสี่บุคคลที่มีอิทธิพลต่อโลกนี้มากที่สุดคุณจําข้อมูลนี้ไว้ประกาศเลยครับตั้งแต่มีการบันทึกวันิสตรศาสตร์ของโลกตั้งแต่บันทึกติศาสตร์จนถึงทุกวันนี้มีแค่สี่บุคคลเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อโลกนี้มากที่สุดนี่คือสี่บุคคลนี้ครับที่มีอิทธิพลต่อโลกนี้ทําไมครับมากที่สุดเลยองค์แรกคือใครครับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่สองคือใครครับองค์ศาสามมัหด องค์ที่สาคือใครครับผมงจือ้อองค์ที่4คือใครครับองค์พระเยซูกิตนี่คือ4ท่านที่มีอิทธิพล ต, ต่อโลกนี้มากที่สุดตั้งแต่มีการมื้อกลติศาสตร์มาแต่ผมให้พี่น้องสังเกตดีนหนึ่งท่างการ4ี่บุคคลนี้นะครับพระเยซูกิตมาสัจจันที่สุดแปลกประหลาดที่สุดแปลกประหลาดยังไงคุณมาดูข้อมูลนี่นะข้อมูลนี่นะภาษาอังกฤษใช้คํานี้อะไรครับ fact fact คืออะไรครับข้อเท็จจริง เถียงไม่ได้คุณดูข้อมูลตรงนี้แล้วคุณจะรู้พระเยซูศักดิ์สิทธิ์ขาไหนกูดูนะครับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเนี่ยอยู่ตำแหน่งของวรนนาขสัตย์สูงที่สุดในของวันนาอินเดียใช่ไม่ใช่องค์ศาสดามหามัตพองคเป็นวาณิชพ่อค้าที่มีกองคารวานใหญ่โตร่ารวยพอสมควรดังนั้นเนี่ยองค์ศาสดามหามัตของอิสลามจึงเป็นพ่อค้าที่ร่ารวยคนที่สามคือใครครับขงชื่อเป็นป่าและสํานัก เป็นอาจารย์สอนมีสาวกเป็น ล, ลอยๆพเยสุขิตช่างไม้คุณดูสู้ไม่ได้แล้วนะช่างไม้ใช่ไม่ใช่ยังไม่จบคุณดูนี่ดูนี่ดูนี่โอ้โหเสียดายนะครับฟอนไม่มาพูดได้องสมมาสมเด็จเจ้าพระองค์อายุพรรษาเท่าไหร่สวรรคตร80ปสิบพัรษาสวรรคตรองค์ศัศาสรา ม, มุมัดพระองค์ท่าน 62พรรษาสวรรคตนขงจื้อ72ปีเสียชีวิตพระเยซู33ปี6เดือนตายผมนายนิกรปีนี้58พระเยซูกิตนะอายุน้อยกว่าผม23ปีพระเยซูอายุน้อยที่สุดจริงไหมจริงยังดูขอ้อมูลนิดองค์สำมาพระเจ้าเวลาพระองค์สวรรคตนั้นพระองค์ถูกห้อมล้อมไปด้วยบรรดาสานุสษษิตเหล่าสาวกเป็นพันห้อมล้อมพระองค์อยู่ องศา ส, สดามุษบดเวลาพระองค์สวรรคตนั้นหูกห้อมล้อมไปด้วยสาวกสารุสิท ธ, ธิ์เป็นพันของจื้อเวลาท่านตายมีงานศพใหญ่โตลูกศิษย์ลูกหาขบวนแห่ใหญ่โตเลยพระเยซคกิศเวลาพระองค์ตายลูกศิษย์หายเกี้ยงเลยไม่เอาสักคนเลยใช่ไหมใช่ยังไม่จบ องสำ ม, มาสุรเจ้าเวลาพรองค์สวรรษนั้นพระองค์อายุมากคนส่วร80ดสพรรษาและพงศ์ก็ทําไมครับประชวนแล้วก็พงค์ทาไมครับสวรรคตรองคศา ส, ส, ด, สดามุมัดอายุมา ก, กคนก 12, ส่วนแปดสิบสพรรษาและพงศ์ก็ทรงทําไมครับประชวนแล้วก็สวรรคร์คงจื้อก็มากเจ็ดปีท่านก็ป่วยแล้วก็ทําไมครับตายพระเยซูตายหงถูกฆ่าตายอย่างทารุนยังไม่จบพี่น้องดูนี่อีก องสั ม, มาสำนึกเจ้าเผยแผ่คําสอนองค์กี่ปีครับสี่สปีองค์ศาสดามุญอัตเผยแผ่พระองค์ท่านคำสอนพระองค์ท่านกี่ปีครับยี่องปีคงชื่อเผยแผ่คําสอนของของท่านกี่ปีห้บสองปีพระเยซูเท่าไหร่สมปีครึ่งแฟรนี่คือข้อเท็จจริงผมถามพี่น้องหน่อยคุณเคยเห็นคนไหนไหมครับที่เหมือนองค์พระเยซูเกิดก็ต่ํำใช่ไหม คนก็ไม่เอาประกาศก็ใช้เวลาน้อยอายุก็สั้นแล้วตายแบบทารุณด้วยจริงไหมจิงไม่น่ามีอิธิพลต่ออะไรครับไม่น่ามีอิธิพลต่อโลกนี้เลยแต่ความเป็นจริงแล้วพระองค์ ม, มีอิทธิพลต่อโลกไหมกินเนสบุ๊กปี2 0ง1บอกเลยท่ามีการสี่บุคคลนี้นะบุคคลที่มีอิธพลต่อโลกมากที่สุดคือองค์พระเยซูกิตเพราะองค์มีอิธิพลต่อโลกของการศึกษาสมัยใหม่ไม่ว่าเรื่องพงศ์ไปที่ไหนเกิดมหาวิเลยเกิดขึ้นที่นั่น มหาวิเลัยเกิดขึ้นท่า น, นคุณเข้าใจหรือเปล่าเมืองไทยนะแท้งไม่มีเพสวิตประกาศรัฐวสิสาบาลนะคนไทยยังเล่นกระดานชนวนอยู่เลยเชื่อผมดิลูบไม่ว่าลูบโปที่ไหนการศึกษาสมัยใหม่เกิดที่นั่นพระองค์มีทิพย์พลต่อโลกของศิลปะคุณรู้ไหมนักจิตรกรที่มีชื่อเสียงโลก3คนนะวาดรูปเรื่องพระเยซู ด, ดังทุกคนเราไปวาดโรเดมอนนี่ดังที่ไหนใครครับที่ดังดาวินซีไมเคิลแองเจโลลาฟาเอลล้วนแต่วาดรูปของใคร พระเ ย, ยสกิดทั้งนั้นได้รับการเปลนแงบนาลใจเรื่องวิทยุนั้นพระองค์เป็นบุคคลที่มีพลทำไมครับแต่งเพลงสรรเสริญองมากที่สุดในโลกตั้งแต่พระองค์เป็นขึ้นจากความตายจนถึงปี2011มีคนแต่งเพลงยกย่ององ 50,000 เพลงเยอะมาเยอะเยอะมาเยอะเยอะแต่ผมว่ากินไปทุกไม่ค่อยสะเสื่อเพราะปี2011เนี่ยผมแต่งเพลงสรรเสริญองไว้แ46เพลงมันต้องเป็น 50,000 กับ 46, 46เพลงอันนี้ถึงจะถูกต้องเพราะายอย่างไรผม ม, ม, ม, มี46เพลงอะไม่นับเบอร์นับด้วยผมก็แต่งเพลง ต้องเป็น5้มืี่บกเพลงแล้วคุณรู้ไหมบทเพลงไหนที่รับการยกย่องมาที่สุด Amazing g a e สุดยอดไหนมือเป็นโน อ, อยู่ไหนครับช่วยเล่นเป็นโอหน่อยครับด่วนๆเลยครับด่วนด่วนเรียกปุ๊บได้ปั๊บเลยนะคุณดูเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆผมให้คุณดูอะไรบทเพลงที่ทำไมครับถูกยกย่องว่าเป็นบทเพลงที่ดีที่สุด แม้กระทั่งโลคมุสลิมยังร้องเลยยังฟังอะ่ะแต่เขาไม่ฟังเนื้อร้องนะเขาฟังทํานองเข้าใจหรือเปล่าครับบทเพลงที่ถูกยกย่องว่าบปเพลงที่เรารวมใจคนมากที่สุดคือบทเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเยซูแม้กระทั่งโรคมุสลิมที่ไม่เอาคิดเซียนน่ยก็ยังทําไมยังฟังทํานองเลยเพลงนี้นะคนที่แต่งนะพระเจ้าให้กิฟต์เขาจริงเป็นบทเพลงที่พอฟังเสร็จจะเกิดอะไรครับสันติสุขในใจ เพลนี้ชื่อว่ารู้หม Silent Night Silent Night ขอโทษนะครับเพลงนี้คนแต่งนะเขากําหนดคีย์เลยว่าเป็นคีย์ที่ทําให้คนทําไมร้องแล้วต้องมีสันนิษุกเวลานะคุณร้องเพลงเพลง Silent n i กรุนนาอย่าร้องผิดคีย์ขอโทษอย่าเพิ่งเดี๋ยวบางทีอย่าเพิ่งครับบางทีแล้วผมไปทําบางโกรธบอกขอเพลง Silent n i ไอ้น้องบางคนนะไม่รู้ว่าคีย์อะไรมันขึ้นมาคีย์ซีเลยขอคีย์ซีหน่อยครับร้องดิ้นกันไปครับ ไปครับยัมราตีสีแ้น้องดิอันซามีลาชามาป้าสุดขอบคุณครับคุณเห็นไหมถ้าคุณเล่นกีซีนะมันก็สั่นที่สุดเหมือนกันแต่สูงเกินไปบางโบนนะผมขอใส่ไนไหนมันขึ้นกอด F ขอเครับ ครับลรอยาเมทัยชมอปสุอันนี้ก็สันที่สุดเหมือนกันแต่เหมือนขุดหลุมอยู่ยังไงไม่รู้คนที่แต่งเพลงนี้นะเขาจึงทำไมครับเวลาแต่งเพลงนี้เขาบอกว่าห้ามใช้ C ห้ามใช้ F มันต้องเป็นคีเดียว ที่ฟังแล้วจะรู้เจอรู้สึกสันดิสุขสัมผัสได้เลยมันคือบีแฟทขอบีแฟทครับอปครับยามุราติสีฮันสามีราชามาลาสุขอบคุณครับขอบคุณครับ คุณมากครับเห็นไหมถ้าเป็นบีแฟทสบายใจไหมสบายไหมโล่งเลยพระเยซูศิษย์เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อโลกบทเพลงมากที่สุดแล้วคุณรู้ไหมครับพระองค์เป็นบุคคลที่มีคนเขียนหนังสือมากที่สุดกินเดนท์พูดบอกเลยตั้งแต่พระองค์เป็นขึ้นจากความตายนะจนถึงปี20งศูหนึ่งมีคนหนังสือที่เขียนึในวงประมาณเกือบหนึ่งแสนเล่มหนึ่ง0สนเล่มพูดถึงเรื่องพระเยซูศิษย์และพี่น้องครับพระเยซูศิษย์เป็นบุคคลที่มีคนฉลองวันเกิดมากที่สุดคือวันอะไร คริสต์มาสมีใครเฉลี่ยนเกิดเท่ากับพี่เยซูไม่มีทั้งโลกฉลองหมดเลยจริงไม่จริงพี่น้องครับพเพยซิเป็นใครถ้าคุณดูนะพเพย์ซุพูดในสิ่งที่คนปกติทําไมครับไม่กล้าพูดคุณรู้ไหมพงพูดว่าพงเป็นใครคุณอยากรู้เยซูเป็นใครนะคุณดูพิงพูดว่าพงเป็นใครดูครับเรากับพระบิดาเป็นอะไรครับอันนึงอเดียวกันภาษาชาวบ้านเนี่ยต้องแปลงี้เรากับพระเจ้าเนี่ยพ่อเราเนี่ยพันเดียวกันเรากับพระเจ้าเนี่ย พ่อของเราเนี่ยพันเดียวกันพ่อเราเป็นพระเจ้าเราเป็นลูกพงเราจึงเป็นอะไรด้วยพระเจ้ า, ลาหลักการง่ายๆครับลูกช้างคือช้างลูกนกคือนกลูกคนคือคนลูกแมวคือแมวลูกพระเจ้าคือง่ายๆพวกยิวจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาอีกจะคว้างพระเยซูให้ตายพระเยซูจึงตรัสกับเขาวา่าเราได้สแสดงให้ท่านเห็นการเดียร์การห้อยนางเราท่านทั้งหลายหยิบก้อนหินจะคว้างเราให้ตายเพราะการกระก็ไดแล้วพวกยิวทูลตอบว่าเราจะคว่างท่านม่ใช่เพราะการกระทำดีแต่เพราะการพูดหนึ่งประมาทพระเจ้าเพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แตตั้งตัวเป็นพี่น้องครับพระเรียกกเ็ซูจะ ชัดเจนครับพระองค์บอกว่าผมเป็นลูกพระเจ้าพมคือพระเจ้าคุณลองคิดดูถ้าผมนายดิกร น, นะไปตะโกนกลางเทเวนที่วันทเทอร์มินอลคนกำลังช็อปปิ้งนะผมพูดอย่างนี้ <c oughs> พอแม่พี่น้องที่ช็อปปิ้งอยู่เทเว น, วนผมนี่แหละพระเจ้าคุณคิดผมจะโดนด่าว่าอะไรครับไอ้บ้าคนที่กล้าพูดบอ ก, เ, เ, ก, อ เ, อบกอเขาเป็นพระเจ้าได้ในโลกมีสองประเภทขึ้นหนึ่งคนบ้ากล้าพูดสองเขาเป็นพระเจ้าจริงๆจึงกล้าพูดพี่น้องครับ พีเอชิเรียกเองว่าเป็นอะไรคุณคิดว่าพงบ้าไหมปีนี้ ป, ปีคริสตศักราช2017เป็นปีสาธานใช้กันทั่วโลกปี2017ใช้กันทั่วโลกครับเป็นปีที่มาจากใครเป็นปีที่มีที่มาจากใครพระเยซูถ้าหากพีเอซิคนบ้าใช้ปีคนบ้านทั่วโลกเหรอครับคริสต์มาสชงมันเกิดได้กับใครครับพระเยซูถ้าหากพีเอชิฟคนบ้าชงมันเกิดคนบ้านทั่วโลกเหรอครับไม้กังเขนเครื่องหมายกาชาติโรงพยาบาลมาจากสิสเซอแลนด์เป็นเครื่องหมายของพระเยซู ถ้าหากพี่ซื้บ้าเอาเครื่องหมายคนบ้าปเป็นเครื่องหมายชักันจะใหมหลายคนเข้าใจผิดครับคิดว่าไม้เขนคืออะไรเครื่องประดับของใหม่เจริญบุละใครบอกคุณพี่ใหม่ก็ชอบเล่นไม้เขเนี่ยใครบอกท่านไม้งเขนไม่ใช่เครื่องประดับนะครับพี่เป็นอะไรครับเครื่องมือประหารชีวิตคุณเห็นว่าเครื่องมือประหารชีวิตที่อยู่อลำดับแปลดลำดับแรกของโลกนะที่อันตรายนะที่ทอรน์นาบันมีอยู่แปดชิ้นที่ดังๆหนึ่งยิงเป้าสอง ตัดคอสแขวนคอสี่กรโอตินของฝรั่งเศสเจที่ตัดหัวสนัขปาวนจิน8 เ, เ, เก้าอีฟ้าไอเจหเก้าอีฟ้าเจ็ดฉยาพิษใหตาย8คือไม้ยันเข็นผมถามหน่อยตั้งแต่คุณเกิดมาจนนั่งฟังผมพูดในบ่ายวันนี้นะคุณเคยเห็นเครื่องมือประหารชุดไหนไหมรับการยกบนไม้เข็นมีไม่มีวันอาทิตย์ถ้าคุณมาคิดนะจากักคุณเย็นบทเพลงยกย่องอะไรเครื่องมือประหารชุด น, นี้เต็ไมไปหมดเลย ร้องไฟสองเพลงก็ได้ที่กลางเขนที่กลางเขนข้ายินดีเสมอไปข้าจะแบกกลางเข้นแล้วเดินตามข้าจะแบกกลางเข้นแล้วเดินตามเขายกย่องอะไรครับเครื่องมือประหารชุด น, นี้มีไหมครับร้องเพลงนี้เก้าอีไฟฟ้าเก้าอีไฟฟ้ามีเหรอครับขาจะแบกยิงเป้าแล้วเดินไปข้าจะแบกที่ตัดหัวสุนัขปอมจินแล้วเดินตามใครไปร้องพวกนี้เหรอครับพี่ไม่มีอ่ะทำไมแม่เห็นลับการยก นั่นแสดงว่าพระเยซูไม่ใช่คนบ้าในเมื่อผมไม่ใช่คนบ้าพง์เป็นเป็นอะไรครับภาษาเหนือบอกขอสูมาเต๊ะถ้าหากพระเยซูไม่ใช่พระเจ้านะพงค์ก็เป็นคนบ้าถ้าหากพระเอกริปเป็นคนบ้าผมนายดีกร์เชื่อใครอยู่เชื่อคนบ้าถ้าฉะนั้นใครบ้าคนบ้าก็ต้องเชื่อคนเชื่อคนบ้าใช่ไหมครับคุณทั้งหลายนั้นฟังให้พูดอยู่คนเชื่อคนบ้าพุ่งลงคนบ้าอยู่นะครับถ้าหากพระเอกรเป็นคนบ้าใครบ้าคนเชื่อคนบ้าพุ่งงคนบ้า คือคนเหล่านั้นที่นั่งฟังคนชูคนบ้าพุ่ลงคนบ้าส่วนพระพวกเราทําไมครับไม่บ้าบ้าที่ไหนเอ่ยไม่บ้าเราไม่ใช่คนบ้าพระเยซูไม่ใช่คนบ้าดังนั้นพระองค์เป็นใครครับเป็นใคร <Yeah. S 1> เห็นไหมเพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์จนได้ทรงประทานใครครับพระเยซู <Yeah. S 1> พระองค์เข้ามาทําไมครับมาตายมาขั เ, เขนเพื่อทําไมครับลบล้างความผิดบาปเราหลังจากพระเยซูาตายแล้วสองวันเรื่องไม่ได้จบวันที่3ทําำไม <Yeah. S 1> พระองค์ฟื้นจากความตายยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้และตลอดไปเิ็น ไม่ว่าเรื่องพงษ์ไปที่ไหนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่นั่นพี่น้องครับหลุมฝังศพของโมฮัมมัดศาสดาโมฮัมมัดของอิสลามยังอยู่หลุมฝังศพของชื่อยังอยู่หลุมฝังศพองค์สัาเทายังอยู่แต่หลุมฝังศพของพระเยซูทำไมครับหายไปเรื่องของพระเยซูไปที่ไหนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่นั่นจริงๆ30ปีมานี้นะผมไม่เพียงแต่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงชิดจากพระเยซูผมเห็นหลายคนก็สัมผัสการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยไม่ว่าเร <min> ื่องพระเยซูไปที่ไหนความคิดใหม่ เป้าหมายใหม่ชีวิตใหม่ที่เอาชนะความผิดบาปความมั่งใหม่เกิดขึ้นในตัวเขานี่คือเป็นเรื่องจริงซึ่งเป็นแฟกต์คุณเถียงไม่ได้เลยครับเปลี่ยนแปลงได้จริงๆขอพี่น้องเชื่อ่านครับจับไม่ประโยคสุดท้ายครับพระเยซูกิษพระเจ้เจาประทานพระสิเข้ามาโลกนี้ตายเหมือนเข็และเป็นที่จะความตายเพระเราเพื่อทุกคนทำไมครับ คุณเข้าใจคําว่าทุกคนไหมครับทุกคนที่วางใจไหมครับหมายถึงอะไรทุกคนที่วางใจหมายถึงอะไรผมถามนี่หน่อยถ้าคุณเป็นเจ้าของสวรรค์นะถ้ า, ท, าท่านเป็นเจ้าของสวรรค์นะวิธีไหนยุติธรรมที่สุดสําหรับมนุษย์ในการขึ้นสวรรค์วิธีไหนถ้าคุณเป็นเจ้าของสวรรค์นะคุณว่าจะใช้วิธีไหนที่จะมนุษย์ทุกคนทำไมครับจะสามารถเข้าสวรรค์ได้ทัดเทียมกันวิธีไหนนี่นายดีไหมเนี่ยทบบําธมนิสบาทดีไหมดียุติธรรมไหม ขอทานพอรู้ว่าทำบุญสิบบาทขึ้นสวรรค์ได้ขอขอใหญ่ขอได้เกบาทสามหนรถสิบล้อชนตายไม่ยุติธรรมสำหรับคนจนเอางี้แล้วกันส่วนมนลห้าบทเออได้ทำดีทำ ด, ด, ด, ดีคนใบ้ทําไมเอางี้แล้วกันรักษาศีลห้าข้อใครรักษาศีลได้สภาพแวดล้อมแต่ละคนก็นทำไมครับต่างกันบางคนทำไมครับสภาพการเขาสภาพสถานะเขาก็าร้อมเขาไม่ ส, มาสามารถรักษาศีลได้เลยต่อมาครับเอางี้แล้กันแก้สมการนี้แล้วกันใครแก้สมการนี้ได้ขึ้นสวรรค์เลยเอาไม่เอา ดังนั้นเห็นไหมพระเจ้าจึงใช้วิธีง่ายที่สุดทุกคนที่ทำไมครับวางใจวางใจคืออะไรเชื่อพระเยซูเท่านั้นใครเชื่อไม่ได้ได้ไม่ได้ทุกคนเชื่อได้ไหมไอยู่ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อผมใช้วิธีนี้ครับกขอ ข, อของคุณจำไว้เลยง่ายที่สุ ด, ดกคืออะไรกับใจใหม่ขอ ขออภัยคอใครก็ได้งอกลับใจใหม่ขออภัยใครก็ได้ใครก็ทำได้ส0สิบปีที่แล้วผมเมาจะปืนยิงกับคนข้างบ้านลูกชายของคนข้างบ้านเป็นประลาเพอผมเอาจุดสามแปดออกมาจากห้องเมาไม่รู้เรื่องจะยิงยิงกับเขาแม่ผมตัวสัน่น ตัวสั่นเลยครับพอเห็นผมเดินออกมาจากห้องแกกอดเลยครับจับผมนั่งโซฟาไม้แล้วแม่ผมทําอย่างก็คือคุกเขา่ากราบที่เท้าผมแล้วแม่พูดประโยคนึงขนาดเมาผมยังจําได้เลยแอ้พูดงนี้ไอ้ก้อนจะฆ่าแม่แม่ขอเถอผมทิ้งปืนลงปักเข้าไปในห้องห้องผมมีแต่เหล้าร้านผมร้านอาหารห้องผมเก็บเหล้าไว้เต็มเลยผมเมาอยู่แล้วนะผมเอาแม่โของอีกแบนหนึ่งมาเกาะ 3นาทีหมดแบนเลยครับหมุนเลยครับผมร้องให้มองพิดานเสียใจมากแม่กราบเท้าผมผมบอกนี้ถ้าหากพระเยซูมีจริงเป็นพระเจ้าจริงช่วยผมด้วยผมไม่ไหวแล้วและผมก็หลับไปได้ลิตเหล่าสามสปีมาแล้วครับปีนี้เป็นปีที่ส0มสิบที่ผมเชื่อองค์พระเยซูคริสต์ชีวิตเปลี่ยนจริงๆครับเปลี่ยนจริงๆผมไม่ใช่หนึ่งเดียวคนนี้ที้รับการเปลี่ยนแปลง ผมเป็นหนึ่งในหลายหลายพันล้านคนทั่วโลกที่เปิดใจต้อนรับใครองค์พระเยซูรับการอภัยโทษรับชีวิตใหม่มีชนะความผิดบาปและมีความหวังเมื่อจากโลกนี้ไปจะได้เข้าสวรรค์ที่บริสุทธิ์ของใครของพระเจ้าสวรรค์บริสุทธิ์พระเจ้าต้องการมนุษย์เป็นหนึ่งเดียวพระเจ้ามนุษย์ไม่สามารถเข้าสวรรค์ได้เพราะมนุษย์สปกปรกพระเจ้าจึงส่งใครมาพระเยซูข้ามาเพื่อชําระลางขงเราให้สะอาดเพื่อทุกคนที่วางใจนั้นจะรับการชําระเข้าสู่เลยครับสวรรค์สถานขององค์ ส น, นใจพี่น้องครับนําข่าวดีอย่างนี้ไปบอกกับเพื่อนบ้านนี่เรื่องจริงผมหวังว่าข่าวดีวันนี้ที่พี่น้องฟังนะครับเป็นข่าวดีที่สุดพักนี้มีพูดนะมีวิดีโอที่ต้องดูก่อนตายเชื่อผมเลยครับวิดีโอมดนั้นนะอะไอเรื่องนั้นนะไม่ดูก่อนตายก็ไม่เป็นไรแต่ข่าวดีเนี่ยแล้วบอกวันนี้ต้องฟังก่อนอะไรต้องฟังก่อนอะไรเนี่ยนี่คือข่าวสารที่สําคัญเปิดใจตอนรับองค์ประชิดหนุนใจท่านถ้ามีพี่น้องคนหนึ่งไหนยังไม่เคยตอนรับประชิดนะครับ เปิดใจท่านตอนรับองค์พระเยสุสและร่วมใจนิฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าสรรเสริญขอบคุณวง์สลับบ่ายวันนี้เรามีโอกาสไขควรพระคัมภระเจ้าด้วยกันทําให้เราเข้าใจ ย, ย้อนบทที่สามว่าสุขมากขึ้นเพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนจนได้ทรงประทานพระเยสุสพระบุตรองค์เดียวองค์นั้นเพื่อทุกคนที่วางใจในองค์พระเยสุ น, นั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้สิ่งเหล่านี้ก็ฝังลึกอยู่ในชีวิตพี่น้องเราพร้อมจะออกไปประกาศข่าวประเสริฐ พร้อมจะรับพรและเป็นพระพรใด้คนจำนวนมากขอไวพรคนนั้นที่จะได้สัมผัสความรักความรอดที่ออกจากชุดของเราขอให้ เ, เป็นส่วนหนึ่งที่นําความรอดไปสู่เพื่อนบ้านสู่ญาตพิพี่ของเราทุกคนขอบคุณพระเจ้าไม่เพียงพี่น้องฟังเข้าใจขอให้พระคําพระคงในบายนี้เข้าไปถึงในหัวใจจนเกิดผลถวายเกียรติยศแต่พงด้วยขอบคุณในพระนามขอ ง, ององค์พระสุคเจ้าม่อมเปหลายผู้นําครับ